ได้ยินได้ยังได้ยินไได้ยินได้ยินแล้วครับยังไม่เห็นภาพชไมยังไม่เห็นภาพครับอ่าอาจารย์เปิดจอแล้วเห็นแล้วช่็แล้วครับชัดไหครับชัดครับคยาูช่วยครับในคนที่ไคามรอ มันเหนีอวมัเหนียวแฟนจะจำเข้าทุกดวงรอหนเปิดเข้าทุกดรงได้ยินเสียงชันไหมมาได้ยินนะได้ยินได้ยินชัดค่ะพี่นันเสียงผ่อนดอกพลาโล่เสียงอุทัยเข้ามาเสียงไม่ยิน คุณอาชะลาคุณอาชะลายังยังไม่เปิดใหม่คุณอาชะลาเปิดใหม่ยังไม่ได้เปิดใหมะเดี๋ยวผมกดให้เปิดละ อ, อยู่ที่ไหนคุณนัชราพูดได้เลยพิธการข่ะพระอาตารอยู่ที่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์กรุงเทพฝนตกหรือเปล่าตอนนี้กําลังจะตกขต่ะพระอาจารย์คื้มมากค่ะเมื่าตอนเย็นมีอะไรอยากจะถามไหมวันนี้ไม่มีอะไรอยากจะถามค่ะพระอาจารย์มาร่วมฟังธรรมค่ะอะยังไม่มีใจเข้ามาเลยวันนี้เข้ามาทั้งหมดก็ยังไม่มีใครอยากจะถามกัน พี่วัดฝนตกค่ะพระอาจาราย์ว่ายังไงเนอะพี่วัดฝนตกไหมคะตอนนี้กําลังตกอยู่แต่เบาลงแล้วเมือกี้่ะกีมีเสียงฝ้าร้องบ้างแต่ตอนนี้เริ่มจะหยุดแล้วแต่ยังตกต่อยๆอยู่ค่ะพระอาจารย์โอเคยินดีที่ได้พบกันค่ะพระอาจาระะาย์เดี๋ยวรอสักครู่มาช่ว ย, วยทยอยกันเข้ามา ตอนนี้ทางเฟ็บุูกไล้มีเท่าไหร่แล้วคุณดอยมีมีร้ยห้าสิบหกคนครับร้อยห้าสิบหกคนจะไม่มีใค ร, ครเข้ามาครับตอนนี้ขึ้นเป็นร้อยหกสิบสามแลฮ ะ, ะไม่มีใครเข้ามาในซูมเลยครับอาจารย์คะถ้างั้นหนูขอโอกาสถามได้ไหมคะได้ถามไปเลยถ้าเกิดว่าเราต้องเผชิญหน้ากับความตายที่อยู่ตรงหน้านี่เราควรจะ คิดหรือทําใจยังไงคะถ้าปล่อยวางเราเรา่างกายไม่ใช่เราถ้าเราไม่ปล่อยเราก็ทวนถ้าเรายอมปล่อยยอมให้มันตายก็พุทธิภูมิเนาจะปล่อยได้เปล่าเราพุทธโทรพุทธโทไปแต่มันไม่ยอมปล่อยเราก็ท่าพุทโธอพุทธโทรพุทธโทไปสวดมนต์ไปร่างกายไม่ใช่เราอานิจจังทุกขังนัพตาน อย่าไปทำอะไรเฉยๆแคน้นองอยู่ละมันไปคือความมันจะหมดลมหายใจ mm hmm. เพราะทำอะไรไม่ได้ทำแล้วก็ทุกข์ mm hmm. อยากไม่ตายก็ทุกข์ mm hmm. ทำได้อย่างเดียวก็คือยอมตายเฉยๆทำใจให้เ ฉ, เฉยไว้ mm hmm. คุณวิชานมีอะไรจะพูดไหมคุณวิชาญ ก็กำลังอยากทางานอ่าเปิดเสียงก้ดังยครับฟังดูไปได้เลยครับก็ยังปฏิบัติเพิ่มครับก็มีมีรู้สึกดีขึ้นในบางวันครับเหมือนเหมือนมันมันจับลมหายใจที่คือมันมันมันจะนิ่งขึ้นแล้วก็มีสติมากขึ้นแต่ก็มีบางช่วงที่บางวันที่ มีอยู่สองวันที่เอมีงานอย่างอื่นแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเอาเดี๋ยวทํำชดเฉยก็อีกวันหนึ่งก็เลยไปทํำชดเฉยคือนั่งภาวนาเดินถุงลมชดเฉยวันที่เราไม่ได้ทำไปครับก็คือไม่อยากให้เอที่เราตั้งใจไว้มันมันขาดไปก็เลยทำในวันคือย่ทําให้มันน้อยทําทให้มันมากกว่าที่เราตั้งใจไว้เราจะได้กาลัง ถ้าทำมากกว่าก็ขาดทุนครับผลมันอยู่ที่เหตุคือการกระทำทําน้อยผลก็น้อยทํามากผลก็ามากครัแต่ช่วงใหม่ๆนี้มันเป็นเหมือนช่วงรดน้ำปลูกต้น ไ, ไม้ใช้เวลาผลอาจจะช้าหน่อยก่อจะเกิดมี่ต้องใจมีเย็นๆพยายามทําไปเรื่อยๆเจริญสติไปให้มากๆพยายามนั่งพุทโธดูลงไป ๋ยววันดีก็นดีมันก็จะรวมให้เราอย่าท้อแท้เหบื่อหน่ายไม่ใช่ว่าเป็นการปลูกต้นไม้เราทําสวนเราลงทุเรียนก่อนจะได้ดอกก่อจะได้ต้นทุเรียนมันก็ต้องใช้เวลานานก่อจะโตกว่านจะออกลูกถ้าเราใจเย็นๆคอยเฝ้าดูแลรักษามันไปเรื่อยๆมันก็ออกดอกออกผลให้เราเอง ผู้ปฏิบัติต้องไม่ยอดท้อตอไม่เบื่อง่ายต้องซื่อไม่ถอยองพยายามทําให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆพยายามตัดงอยาอื่นออกไปที่ไม่จําเป็นเอาเวลามาปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าใช้น้อยก็หาไม่ต้องหามากใช้เงินน้อยก็ไม่ต้องหามากใช้เงินมากก็ต้องหามาก มากก็ต้องทำงานมากก็ไม่มีเวลาจะมาปฏิบัติถ้าอยากจะปฏิบัติต้องมากน้อยสันโดนอน่อย่า น, น้อยๆในเท่าที่จำเป็นตังเปล่าว่าสามปีสามภาสปีนี้ครับคือเ ท, ทียถ้ ท, ทียพารเสร็จกจะจะปฏิบททัติเต็มที่ไปไปเร่อัง ถ้าเร็วกว่านั้นได้ยิงดีก็ไม่รู้ไม่รู้3ปีนจะเป็นยังไงบ้างครับก็คือมันมีภาระในเรื่องรถเรื่องอะไรเงี้ยก็คือเรายังมีภาระอยู่เราไม่อยากให้คนอื่นคข้างหลังมีต้องมังต้องมักขึ้นเราอยากยกสมม่าเรายกภาระคนอื่นเนี้ยมันก็คือสร้างสร้างนี่ให้เขาเราก็เลยโอเคเราก็เลยเดี๋ยวเตรียมภาระของเราให้เสร็จก่อนตรงนี้โอเคทําให้เร็วที่สุด ทำไดเลยที่สุดก น, นะก็มีอธิษฐานไว้ว่างานที่ทําไว้ขอให้มันสําเร็จควอมนมีงานที่แบบมันจะได้มาผ่าตัดตรงนี้ยก็อธิษฐานไว้ตลอดว่าขอให้สำเร็จขอให้เทวดาพระพิชช่วยครับเดีถ้าสําเร็จก็ดีต่อไปคุณ อ, อี๋อยู่ที่ไหนเปิดไม้หน่อยกลับน ม, มัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยุ้งเท่าเลย ไม่ใช่ค่ะอยู่ที่นาเกลือค่ะนาเกลือนาเกลือค่ะมีอะไรว่ามาเลยอ๋อไม่มีอะไรค่ะเข้ามากราบนมัสกรารพระอาจารย์ค่ะอยากจะบอกว่าช่วงนี้อยากนั่งสมาธิบ่อยมากเลยแต่หาที่มุมสงบสงบไม่ได้แต่มีความรู้สึกว่าอยากจะนั่งสมาธิอะค่ะแล้วที่เรานั่งอยู่ตรงนีไ้ไม่สงบเลย ไม่ค่ะเพราะว่าอยู่กับแฟนแล้วแฟนเขาก็ต้องดูโทรศัพท์เปิดเสียงดังต้องรอบางทีไปวัดอะค่ะที่เวลาไปฟังธรรมะของระอาจารย์นหนูจะไปแต่เช้าเลยไปก่อนบ่ายสองนะคะไปแต่เช้าเพื่อจะไปนั่งสมาธิที่วัดอะค่ะแล้วแล้วช่วงนี้มันมีความรู้สึกว่าเราอยากนั่งอยู่เรื่อยๆแต่มันหาที่ที่มันจะวิเวกหน่อยไม่ได้อยากจะนั่งจริงตลอดเลยช่วงนี้ค่ะเราพยายามดู พย า, ายามอยู่ที่ไหนความสําเออ่็จงนี่แแต่พอไม่ได้นั่งแต่ก็ก็พูดโทตลอดนะคะพยายา ม, มพุโทโธตลอดเลยถึงไม่ได้นั่งก็พุดโธไว้อย่างนี้น ค, นค่ะควบคุม ค, ความคิดไว้นะ<ำ>โอเคนะไม่มีคําถามค่ะวันนี้หนูเข้ามานมันมส ก, การพระอาจารย์ค่ะคุณจิ๊บเอเวนอยู่ที่ไหนคุณจิ๊บเปิดไมค์ก่อนไม่ได้ยินเสียงเปิดไมค์ก่อน สีแดงนะตัวสีแดงกดมันติดล่าปอะการค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมคะได้ยินแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ประเทศอังกฤษเก่ะไอร์แลนค่ะอ๋อไปอยู่นานก็เลยตอนนี้ก็ประมาณสิบหกปีแล้วค่ะหลวงพ่อดีก็ฟังธรรมหลวงพ่อฟังธรรมะหลวงพ่อออนไลน์นะคะแทบจะ วันเข้าไปฟังะแล้วก็นั่นตลอดก็ที่นี่ไม่มีวัดเร้วค่ะหลวงพ่อแต่ว่าโยมก็อาศัยว่าศึกษาธรรมะตามตาม t u b e บอหรือไม่ก็ Facebook นะคะเออวัดดีในมือถือเราแล้วเดี๋ยวนี้วัดย้ายวัดย้าย็นมือถือค่ะค่ะยิ่งหลวงพ่อมีสูตรมากก็คือ ได้มีโอกาสเข้ามากราบอ่าถ้ากลับเมืองไทยก็คงจะไปกราบหลวงพ่อคะ่ะได้ได้เชิญเลยมีอะไรย ะ, ะถามได้วันนี้เอ่อก็อคงไม่มีอะไรจะถามหรอกค่ะเข้ามาฟังกัลยาณธรรมทุกท่านที่มาร่วมจอยแล้วก็อ่านางอยากอยากยา ก, กราบนมาส ก, การหลวงพ่อคือทางทู o ก็เหมือนได้ไปกราบด้วยตัวเองใช่ไหมคะก็ นี่แล้ะค่ะแันี้ก็กับค่ะเดี๋ยวเขาไปคนต่อค่คุณกัปี่จากซูล่ามีอะไรจะพูดไหมกัปี่กัปี่เปิดไม้ก่อนเปิดม้ให้ก่อนกำลังให้เปิดอยู่ไหมไม้ตัวแดงอ่ะตัวที่มันสีแดงกด ออก็เหมืแล้วครูได้แล้วอยากจะถามว่าถ้าครูบาอาจารย์นิพพานแล้วจะทิ้งลูกหลานไหมครับไม่ไงที่ลูกหลาน<อ>ถ้าตายก็ทิ้งแต่ถ้ายังคนอยู่ขาดคนตายเมื่อมันตนิพพานก็ต้องทิง้เมื่อมันไม่มีร่างกายติดต่อมันไม่ได้ใช่หมเหร แต่แต่ถ้าเรามีความรู้พิเศษเราก็สามารถครับครับครับทราบถูกครับโอเคแค่นี้เลอคำถามอืก็ตอนนี้ไปที่ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ลอง ไปที่ดรรองได้ยินไหมดรรองพิญคริญยาวัฒน์อาจารย์ดูได้ได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินไหมขอรับอยู่ที่พัทยาครับผมอยู่ที่พัทอยู่ที่พัตยาครับอยากอยากจะถามอยากจะถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอ๋ออาจารย์ได้ยินไหมครับ ไม่ไม่ค่อยดีพอได้ยินแล้วไม่ยินแล้วที่จะถอยออกไปหน่อยเสียงมันแตกอยากจะทบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติข้อสินแปดนะครับถ้าเราไม่ปฏิบัติให้ครบทุกข้อนี้ครับผมก็ไม่ได้เต็มร้อยเลยถ้าทำคะแนนก็ไม่ได้เต็มออ๋อต้องปฏิบัติให้ครบทุกข้อใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็พยายามทำ คือผมมีปัญห า, าในกันดีถ้าไม่เขามันก็ไม่ดีต้องปฏิบัติให้ครบทุกข้อใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่มันเรียกวกาปฏิบัติ ด, ดีเลยใช่ไหมแต่ถ้ายังไม่ได้ก็เอาเท่าที่เําทำได้ไปก่อนอย่าไปท้อทำได้ ที่เราทำได้ไปก่อนโอเคเสียงขคุณมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวขอไปท่านต่อไปนะส่วนทรภูดดาอยู่สัตว์ที่ใช่ไหมเปิดไมหน่อยสุนทรภดดานะการรัชการเจ้าค่ะอ่าหวัดดีเป็นยังไงคราวนี้เข้ามาได้แล้วน ะ, ะได้ค่ะอ่ามีมีเรื่อ ง, องจำชื่อเราได้แล้วจำได้แล้วค่ะอ่า มีข้อสงสัยเล็กน้อยค่ะคือหนูลองอดอาหารดูค่ะแล้วทีนี้ก็คืออ่าไม่ไม่ได้กินอะไรเลยแต่ว่าตอนนั้นไปถือศีล ท, ที่วัดพอดีค่ะแล้วก็ดื่มแต่น้ําวันแรกค่ะแล้ทีนี้นก็หิวเออ่มันยังไม่ได้หิวแต่ว่ามันอยากกินแล้วเมนูอาหารก็แบบมาเต็มเลยคิดอยากกินเนี้ยค่ะแล้วก็นึกถึงที่พระอาจารย์บอกว่า เออให้เวลาที่เคี้ยวแล้วคลายออกมาอย่างเงี้ยก็มันก็ดับไปแล้วทีเนี้ยคิดถึงอะไรป่ะค่ะเราคลายออกมาอันที่เราที่เราคิดเนะี่ยพิซซ่าอะไรที่เราอยากกินตอนนั้นนะคะ่ะแล้วแล้วพอคิดแบบนั้นมันก็ดับไปดับไปเสร็จแล้วทีเนี้ยพอท้องหิวอ่ะคือหิวจริงแนตะ่ไม่ได้อยากกินแล้วแต่ว่าท้องหิวอย่างเงี้ยคะ่ะวันแรกดื่มแต่น้ําเปล่าแต่ว่าวันที่สองเนี่ย ก็เลยดื่มน้ำผสมน้ำหวานนะคะแต่ดื่มแบบอิ่มเลยมันกลายเป็นทำตามความอยากหรือเปล่าคะถ้ามันอิ่มเลยตามตามอยากอิ่มเลยไม่เป็นไรที่มาก ไ, มปไปกินอยอาร อ, <ะ>อย่าไปกินอาหารก็แล้วกันไม่ไม่ได้รับทานอาหารเลยคะ่ะแต่ว่ามันคล้ายๆมันไม่มีแรงคล้ายมันเดินจงกรมมันจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็เลยไปกินน้ำหวานพอกินน้ำหวานทีนี้มันเลยอิ่มเลย น่าจะทานเยอะไปหน่อยคอยกินออประมาณค่ะปรับถ้า้านเาอะหน้าไม่ไม่ทานเยอะไม่ไม่ได้ทานเยอะค่ะแค่แค่ช่วงนั้นแค่มันเหมือนกับแข้ชั่วก็ต้องดื่มบ้างบางทีร่างกายมานอ่อนเพลียก็อยู่น้ำตาลน้ำหวานน้ำส้มอะไรไม่ได้เจ้าค่ะแต่ต้องไม่มากไปเกินไปนะถ้าอดได้อดดีกว่ากิน แน้ำเปล่าอย่างเดียวน้ำน้ำเอ่อต้องอาที่แล้วถ้วยกอนถ้วยตอนนั้นมันเหมือนตอนนั้นมันพอพอได้รสชาติน้ำหวานปุ๊บมันก็เลยมันก็เลยกินอิมิ่มแต่ตอนวันแรกที่ดื่มแต่น้ำเปล่ามันก็มันก็ไม่เป็นไรพอไปรอพอไปดื่มน้ำหวานปุ๊บมันก็เลยเยอะไปหน่อยค่ะหนูว่า ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเออก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาหน้าไปพยาอไปฝึกมันหน่อยดืความประมาณอค่ะลองฝืนดูค่ะมีอะไรมีไหมไม่มีแล้วค่ะแค่แค่จะบอกว่าแค่จะถามพระอาจารย์ว่าอ๋อถ้าถ้าเขาหน้าเราควรจะทำยังไงอย่างเงี้ยเขาหน้าเราควรจะก็ เดิมให้มันเป็นประมาณสักแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งขวดหนึงอะไรน้ำหวานขวดหนึ่งค่ะขวดใส่ขวดค่โอเคค่ะโอเคนะอ่ะอันนี้หมอญมอญมีอะไรจะพูดมมอญไม่มีอะไรค่ะเข้ามาทักกับพระอาจารย์ค่ะยินดีคุณแม่อยู่หรือเปล่า อยู่ค่ะวันนี้แม่บอกว่าถ้าทางพระอาจารย์ต้องมีซูมแน่แม่เขาเดาถูกด้วยค่ะแทงโอยถูกในวันนี้นี่คพระอาจารย์สบายดีนะคะอะ่สบายดีจ่ ะ, ะไม่มีอะไรคะ่ะอาจารย์พิธีการได้เห็นหน้ากันไปที่ถ้านไป <c oughs> คุณคุณทอนเหรอคุณคุณเธอเหรอ คุณทอมใช่ไหมทอง อ, อยู่อาจชรย์มีอะไรพูดได้เลยเปิดไมคก่อนจะไม่ยังไม่ได้เปิดไม่ยังไม่ได้เปิดไม่ได้ยินเสียงเปิดแล้วสวัสดีครับกับน้ำมัสการครับอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับฝนตกหรือเปล่าครับนี้ตกครับตกช่วงเย็นๆครับผม ไม่เด๋วนี้ตอนนี้ตกก็แบตอนนี้ก็ตกบ่อยๆครับอ่ที่นี้ก็ตกเป็นเกินพระเล่าลด้วยครับผมอมีอะไรจะถามไหมก็จริงๆไม่มีคําถามครับแต่ก็อย่างที่เคยสอบถามอาจารย์เรื่องของการปฏิบัติครับตอนนี้ผมก็พยายามทําให้เป็นบูทีนเชา้าเช้าตื่นมาตีห้าก็เอ่สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิะครับก็พยายามทําให้ได้บ่อยๆนะครับก็ตอนเนี้พยายามคิดให้ได้ทุกๆวัน เอ่าดีต้องมีต้องมีตารางเราบังคับให้มันมีทําตามตารางครับก็จะเป็นนิสัยถึงเวลามันก็อยากจะทําขึ้นมาแต่บางวันก็ทําได้ดีบางวันก็ทําได้ไม่ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับสติแล้วขึ้นกับยุเหตุการณ์ในวันนั้นเราคิดว่าถ้ามีเรื่องมากปัญหามากมันขัางท้าทั้งคาใจมันก็ทําให้ยากไม่ค่อยดีบางวัน เวลาเราสติดีมันก็สงบแต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือฝึกใช่นี่นะก่อนที่เราจะมานั่งก็ฝึกสติไปครับทั้งวันเลยพยายามพุโทโธพุโทโธไปอย่างในเรื่องที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดคิดเท่าที่จําเป็นครับถ้าเวลามานั่งนัสติมันจะมีกําลังแล้วจะทําให้ นั่งง่ายสบายไม่อึดอะมีอะไรไหมไม่ละครับขอบพระคุณครับอาจารย์คุณย้ยคุณย้ยเปิดไม่หน่อยอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์เมื่อเมื่อวันอังคารเพิ่งพาคุณแม่ไปใส่บาตพระอาจารย์ที่หน้าร้านปีชาซีฟู้ดนะคะอออ๋อใช ทานระอาารคิดถึงพระอาจารย์ได้เข้าไปในวัดหรือเปล่าใส่บาตรอ๋อไม่ไม่ได้เข้าไปในวัดนะคะเพราะว่าคุณแม่จะเดินไม่ค่อยไหวแล้วค่ะอายุแปดสิบสองอะคะ่ะที่นั่งรถค่ ะ, ะก็เลยอยากให้คุณแม่ได้มีโอกาสใส่บาตรพระอาจารย์ช่วงชีวิตหนึ่งของท่านนะคะให้คุณแม่ได้ทําบุญนะะเราควรจให้คุณแม่ได้ทําบุญบ่อยๆค่ะได้ค่ะ ขอบคุณค่ะมีอะไรอยากจะถามไหมวันนี้อ๋อไม่มีค่ะแต่ว่าหนูก็ใช้คำสอนของพระอาจารย์นะคะในเรื่องของพุโทโธทุกครั้งในชีวิตประจำวันถ้าว่างก็จะพุโทโธตลอดเลยค่ะก็คือเพื่อหยุดความคิดนะคะให้จิตมันทำงานแบบพุโทโธอย่างเดียวอะค่ะแล้วเสร็จดีขึ้นไหมช่วยได้มากเลยค่ะต้องบอกว่าได้แนวทางพระอาจารย์เนี่ยค่ะมันทาให้รู้สึกช่วยแล้วมันก็เห็นผลด้วยนะคะ เอ่าค่ะมันมันเย็นลงเร็วแล้วก็พอจิตที่มันไม่ได้คิดฟุ่งซ่านไปเรื่องอื่นมันก็มันก็ไม่ทุกข์มันไม่หนักนะคะใจจิตมันก็ไม่หนักอะไรค่ะใช่ที่มันหนักอกหนักใจว่าเราไปคิดเราไปแบกเรื่องนั้นใช่ค่ะถ้าไปคิดซ้ํามันวนโหแล้วแบบมันจะหายใจไม่ค่อยออกนอนแน่นหน้าอกอะไรอยงี้ค่ะพอนึกพุทโธพุทโธจิตพุทโธอย่างเดียวเนี่ย มันก็ไม่ได้มันไม่มีมันจิตมันไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้ในเวลาเดียวกันสองสองเรื่องในเวลาเดียวกันค่ะพุดโทรเราก็บังคับมันมใช่ค่ะบังคับมันให้มันพูดโทอย่างเดียวเลยดีพยายามทําอย่างนี้ไปเรื่อยรักษาพุดโธไปจนวันตายเลยนะอย่าทิ้งนะเรามาทางแลเรามาถูกทางแนละ น, นะนี่ท่านต่อไปก็พยายามหาเวลานั่งให้มากขึ้นมากขึ้นนะได้เจ้ะค่ะค่ ะ, <Okay. S 2> คะ อ, อยากจะเป็นแบบให้เจอนาตายลักบ้างก็ได้นะค่ะเพราะว่าจริงๆตอนหนูหนูหนูเป็นคนบริจาคเลือดบ่อยอ่ะค่ะแล้วก็จะมีปัญหาว่าความดันต่ําค่าความดันตัวล่างอ่ะค่ะจะต่ํามากประมาณสามสิบสามสี่สิบทุกครั้งที่หนูไปบริจาคเลือดอะค่ะหนูจะไปที่ห้างอ่ะค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะได้ไม่เห็นคือหนูจะเดินเร็วเพื่อก่อนที่จะเขา้า บริจาคเลือดหนูจะได้วัดความดันความดันจะได้ขึ้นหน่อยนึงแต่ว่าหนูก็พยายามอะค่ะทุกครั้งก็ก็ส่วนใหญ่สําเร็จนะคะในการบริจาคเลือดแต่ว่าจะมีปัญหาว่าเลือดหนูที่จะไหลออกมามันจะช้ากว่าคนอื่นๆนะคะคือหนูใช้เวลาเกือบยี่สิบนาทีกว่าจะเป็นถุงอย่าไปฝืนมันดีกว่าอย่าไปฝืนมันดีกว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าค่ะเพราะว่ารอบล่าสุดหนูโดนไปสามรูเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเลือดมันมันไหลออกช้าเขาก็หา ก็ก็ก็เข้าใจถ้าทําไม่ได้ก็ทําเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแทนทําบุญอย่างอื่นแทนอย่าไปอย่าไปดันมันมันจะเสียหายมากกว่าได้ทําบุญอย่างอื่นได้บางทีเราติดบุญชนิดนี้กลายเป็นยาเสพติดไปต้องทําให้ได้ะเพราะว่าตอนแรกหนูหนูความคิดว่าเอ๊ะไม่จ่ายเลืแบบเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยเริ่มเริ่มจัดสละ สละข้างในที่เรามีร่างกายเพราะเวลาที่เขาเจาะหนูก็มองเลยนะคะมองตั้งแต่เห็นเข็มจิ้มเข้าไปในเนื้อแต่หนูก็คิดว่าเนี่ยมันก็เหมือนก็ไม่ใช่ร่างกายเราอะค่ะดูแต่ก็รู้สึกแต่ก็ไม่ได้ไปอดโอ๊ยเจ็บหรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะใช่เราเป็นคนดูเราไม่ได้เป็นมันใช่ใช่ค่ะหนูเหมือนดูว่าไม่ใช่เป็นมันนะคะเราก็ดูตั้งแต่เช็ดแอลกอฮอล์เข็มจิ้มลึกเข้าไปเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเท่านั้นพอจิ้มไปแล้วมันก็เจ็บแป๊บเดียวใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ จริงเลยค่ะถ้าไม่มีสติพอหมอบอกจะฉีดยาก็ใจก็ตกใจเลย่่นใช่ค่ะจริงถูกต้องเลยเ ห, ออเห็นบางคนที่กลัวเข็มนี่น่าสิท์เลยยังไม่ทานอะไรแค่เช็ดแอลกอฮอล์นี่ก็ไปแล้วเริ่มเป็นลมแบบดมจะดมไม่มีสติก็คลุใจใช่เจ้าค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยในเรื่องพุทโธนี่ช่วยได้เยอะจริงๆคะ่ะยินดีมากที่ได้ยินว่าได้ปฏิบัติดีค่ะ โอเคนะเดี๋ยวไปให้ท่านพูดได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณอะไรชายวัดเหรอคุณชายวัดครับผมนวสการครับกรุงเทพครับผมกรุงเทพครับผมพูดไหมผมมีมีสองคำถามอาะครับผมพ่อครับเอาเลยเชิญเลยครับมีมีคำถามแรกคือผมก็ฟังทำแล้วก็ปฏิบัติมามาหลายปีแล้วอ่ะครับ แล้วก็รักษาสินได้ไ ด, ได้ได้ดีบอกกับตัวเองว่าได้จริงๆก็ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คืออยากจะรู้ว่ามันจะมีวิธีสังเกตในชีวิตคือความทุกข์ก็น้อยลงสั้นลงนะครับหลังจากผ่านความทุกข์หลายๆอย่างมาเยอะจากการพัดภาคสูญเสียทั้งหมดนะครับแล้วก็รู้ว่าพอสติมันไวความอความทุกข์มันก็สั้นลงใช่ไหมครับแล้วก็ความความอยากในเรื่องในโลกต่างๆมันก็ลดลงนะครับ แต่ว่าทีนี้เนี่ยหลวงพ่อมีมีประเด็นแนะนํำไหมครับวิธีที่สังเกตตัวเองได้อย่างรวดเร็วว่าเราจเจริญก้าวหน้าหรือเปล่าในการปฏิบัติธรรมครับพ่บอบครับก็คือแหละความทุกข์น้อยลงความอยากน้อยลงความสบายใจเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นตัววัดผลของการปฏิบัติครับถ้าเราไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าเราเก้าวหน้า ถ้าเคยทุกข์มาแล้วเราตอนนี้ไม่ทุกข์กับมันก็นแสดงว่าเราก้าวหน้าเพราะพอเป็นอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับมันมันมีประเด็นตามมาว่าหลังๆนี้ผมก็จะชอบสงบมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ไม่เคยชอบไปสวนเสห์แห่ฮาไม่เคยชอบเที่ยวก็คือเลือกจะที่ยเลือกที่ที่มันสงบหรือคนน้อยให้อยู่คนเดียวเองมากกว่าอะไรอย่างเนี้ยครับก็เกรงว่าตัวเองเนี่ยติดสงบหรือเปล่าอ่ะครับหลวงพ่อครับไม่เป็นไรความสงบแม่มิ่งเป็นทุกเป็นไทย ความสงบเป็นที่พึ่งของเราติดสงบเนี่ยอยู่ติดบ้านเ้วอยู่บ้านปลอดภัยนี่แหละตอนนอกบ้านปลอดภัยอยู่ติดบ้านไม่เป็นปัญหาอะไรเราะนั้นติดความสงบไว้เดี์เอาความสงบเป็นที่พึ่งของเรารเป็นความสุขของเรารปฏิบัติมาเพื่อให้เรามีความสงุกพราะนั้นติดความสงบไม่เสียอะไหายงแต่ว่าถ้าอยากจะก้าวหน้ากว่านี้ เวลาไม่ได้นั่งสมาธิต้องหัดพิจารณาทางปัญญาด้วยพิจารณาตายลักของทุกอย่างไม่เที่ยงเกิดแล้วดับมาแล้วไปไม่มีอะไรเป็นของเราละมาตัวเปล่าเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปตัวเปล่าเปล่พิจารณาอย่างนี้แล้วใจจะได้มีความแน่นหนามีความกล้าหาญไม่กลัวความสูญเสียเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเรา แล้วเสียแล้วก็จะไม่เสียใจนะเนีย่ยนี้เป็นวิธีทําให้เราเก้าวหน้าอย่าทําแต่สมาธิอย่างเดียวสลับกันอคิดนะ ท, ทางปัญญาบ้า ง, ท, างา ท, ทําสมาธิบ้างสลับกันไปเราจะได้ก้าวหน้าไปมากกว่านี้หลวงพ่อครับผมมีคําถามหนึงอะครับคือผมผมเป็นอาจารย์สอนหนังสืออะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับที่ ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเยอะครับผมก็จะสอนเด็กเพื่อเหมือนกขาบอกให้เขาพร้อมเพื่อเตรียมไปประกอบอาชีพมีเงินทองประสบความสําเร็จในชื่อเสียงมีความรู้เยอะๆครับแต่หลังจากนั้นพอพอเราปฏิบัติธรรมระดับหนึ่งผม ร, รู้สึกว่าพวกนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยเขาอย่างยั่งยืนนะครับทําให้ผมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองมันเหมือนตัวเองสอนแต่มันเป็นเปลือก ค, ครับที่ที่ให้นิสิตนักศึกษาเขาเรียนรู้แต่มันไม่ได้ทําให้เขา แบบพ้นทุกจริงนะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าขณะที่สอนเนี่ยผมก็เชื่อและศรัทธานในสิ่งที่ตัวเองสอนลดลงไปเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยทําให้เขามีมีความสุขที่ยั่งยืนนะครับมันเป็นทางของเขาอะ่ะเขายังติดทางนี้อยู่แล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เขาไปเพราะทางนี้มันก็ดีทางโลกวิชากามรูม้ก็จะได้เป็นเครื่องเครื่องมือทามาหากินได้ เป็แต่ว่าเราอาจจะควรสอดแทรกธรรมะให้เขาด้วยว่าเอออย่าเบียดเบียนกันนะแผ่เมตตาให้ต่อกันแข่งขันกันก็แข่งขันกันแบบเป็นมิตรอย่าไปแข่งขันกันแบบศัตรูขอธรรมว่าเวลาเอนอาจจะติดอาจจะไม่ติดนะมันไม่แน่นอนไม่ติดก็อย่าไปเสียใจมันไม่ใช่เป็นอทางเดียวมีทางอื่นไปอีก เราสอนธรรมะสอดแทรกไปให้เขาด้วยทุกวันเวลาเ้าเรียนก่อนจะก่อนจะเริ่มเรียนก็ปากฝาธรรมะให้เขาหน่อยเดินสติเขาว่าเราทํามากินนี้เพื่อเราทําเพื่อทําด้วยความดีนะเราจะได้เป็นคนดีแล้วเราจะได้ช่วยเหลือสังคมด้วยไม่ใช่ทําเพื่อตัวเราเพียงคนเดียวสอนแทรกให้เขาทำบุญทาทานแล้วก็รักษาศีลอย่าเบียดเบียนกันอย่าทําร้ายกัน เราเป็นครูก็จะฟังเราเดี๋ยวเรามีโอกาสที่จะสอนแทรกธรรมะให้กับเขาได้ญญเขพอใจไหมก้ไปขับครับขอบคุณครับแต่เรื่องความรู้ทางโลกมันเป็นทางของเขาขอ่ะเขายังต้องไปทางนั้นก่อนแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะได้วกกลับมาเองแล้วเขารู้ว่าเป็นทางตันทุกคนอ่ะต้องไปทางนี้ก่อนแล้วก็ไปจบมหาลัยมาก่อนแล้วถึงจะรู้ว่ามันเป็นทางตันหรือเมื่อกลับมาหาธรรมะแต่การเรียนหนังสือนี้ไม่เสียหายเพราะมัน เป็นการเสริมสติปัญญาอยู่แล้วต่อไปจะได้เอาสติปัญญามาใช้ในทางธรรมต่อไปนั่นไม่เป็นไรนะรออโอเคนะเดี๋ยวไปท่านอยู่นต่อนะนะครับครับแต่ เ, เมื่อกี้คุณกล้องใช่ไหมคุณกล้อง เ, ออเชิญเลยอยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อนครับสวัสดีครับพระอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินแล้วอยู่ที่ไหน ครับอ่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับพระอาจารย์ฝนตกก็เปล่าตอนนี้ครับตอนนี้กำลังตกอยู่ครับพระอาจารย์อ่าครับอ่ผมติดตามพระอาจารย์มาก็ได้ประมาณห้าปีแล้วครับแต่ยังไม่ได้มีโอกาสไปหาพระอาจารย์ที่อ่าที่วัดนะครับอ่าทีนี้ผมอยากเล่าถึงสาเหตุที่ติดตามพระอาจารย์มาอย่างยาวนานนะครับคือผมเคยประสบปัญหาชีวิตแทบ ที่ไม่คิดจะอยู่บนโลกนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วก็อ่าหลังจากนั้นผมเองก็ได้สติแล้วก็มาประกอบอาชีพจนจนตอนนี้ก็ยืนได้แล้วนะครับเพราะ mm hmm. เพราะก่อนหน้านั้นเจอปัญหาชีวิตทั้งการงานทั้งครอบครัวทุกอย่างพังหมดเลยครับพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็ผมเองได้ชีวิตใหม่อาจากการได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ อ่าเป็นเวลาจากปีอ่าสี่ห้าเก้าจนบัดนี้นะครับก็ติดตามพระอาจารย์มาตลอดแล้วก็เหมือนกับได้เกิดใหม่แล้วก็คิดว่าชีวิตอ่าต่อไปก็อยากจะอะ่เดินในทางธรรมนะครับก็เหมือนกับผมได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งจากการได้ได้ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ได้สอนผมติดตามอยู่ทาง YouTube ครับพระอาจารย์ แล้ววันนี้พอดีกําลังจะไปอาบน้ําแล้วเปิดเฟซบุ๊กก็เห็นพระอาจารย์ก็เลยเลยมานั่งฟังก่อนนะครับพระอาจารย์ครับได้ดีพยายามปฏิบัติไปนะฟัทงทำแล้วก็ต้องนํำมาไปปฏิบัติด้วยนะครับพระอาจารย์ตอนนี้ไม่ค่อยต่อเนื่องแต่ว่าจะพยายามจะพยายามทําให้มากขึ้นครับพระอาจารย์ทีนี้อาคําว่าพุโทโธเนี่ยให้คิดถึงคําว่าพุโทโธใช่ไหมครับเออเหมือนเหมืนอมนท่องไปในใจ ต้องไปดันใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธทำอะไรก็รพุโทโธไปอาแล้ำพุโทโธําน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธไปคอยควบคุมความคิดคอย่าให้มันคิดเอครับพระอาจารย์คือตอนนี้ผมเองได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาก็เหมือนกับตอนนี้นึกถึงแต่พระอาจารย์ทุกทุกวันไม่ไม่เคยไม่มีวันไหนไม่คิดถึงพระอาจารย์ แล้วก็อาฟังจากทาง YouTube ตลอดนะครับพระอาจารย์ฟังฟังจาก a ฟ e b o o กแล้วก็ติดตามที่ท่านพระอาจารย์เทศไว้ตอนเก่าๆก็ทำให้ปัญญาเปิดขึ้นแต่ก็ยังยังต้องใช้การปฏิบัติให้มากขึ้นนะครับพระอาจารย์เพราะว่าสติผมเนี่ยยังยังอ่อนมากเท่าเท่าที่กับที่ฟังจากพระอาจารย์ได้เทศนะครับ ก็จะพยายามฝึกให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับพระอาจารย์ครับดีดีพยายามพูดทองไปเรื่อยๆนะแล้วสติจะเข้มข้นขึ้นไปตามลำดับครับพระอาจารย์อยากจะถามอะไรไหมอ่าก็อ่ถ้าถ้าบวชอายุมากๆนี่มันจะเป็นปัญหากับศาสนาไหมครับก็คิดว่าตอนนี้พยายามเคียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อย แล้วก็จะเดินทางทรมาครับพระอาจารย์ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนนี้ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ถ้าเรารนองรูดนอกทงังนไม่ว่าจะมีอายุมากน้อยก็ไม่ดีเท่านั้นครับพระอาจารย์เป็นตัวเองก็เป็นห่วงแค่ว่าอาจจะท่องอะไรต่างๆจะได้ไม่ไม่เหมือนกับคนหนุ่มครับพระอาจารย์ก็แต่ว่าตอนนี้<อ>พยายามที่ขออมูลนี้ฝึกได้หัดได้ ครับพระอาจารย์แล้วก็<อ>ไม่ใช่เป็นเรื่อ ง, องเวลาจะสวดเวลาจะบวชมันก็เท่านิดหน่อยสองสามหน้าเท่านั้นเองครับพระอาจารย์คือตอนนี้นที่พยายามทําให้ได้ทุกวันก็คือที่พระอาจารย์อเมตตา ก, ก็คือเรื่องอาทานศีลภาวนาแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาตอนเนี้ท่องอยู่คําพวกเนี้ยครับเพื่อให้จิตมันคิดบวกแล้วก็อ่ามีผลดีกับชีวิตมากขึ้นเลยครับพระอาจารย์ ดีพยายามทำไปสามอย่างเนี่ยทานศีลภาวนานะ <c oughs> แล้วใจของเราจะดีขึ้นสูงขึ้นสุขขึ้นมากขึ้นนะครับผมเมื่อก่อนจใจมันตกต่ำถึงคิดที่จะไม่อยู่ก็คือคือคือเห <c oughs> มือนกับในข่าวทั่วไปมันคิดถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเรื่องที่ห้าปีที่แล้วครับหลังจากที่ผมมาพบปพ้า อ, อาจารย์ผมก็ความคิดเหรานั้นมันมันก็หมดไปเลยครับตั้งแต่เห็นเห็นแต่คุณค่าของธรรมะอย่างเดียวครับตอนนี้ คุณค่าของชีวิตเราด้วยการมาเกิดนู่แต่ละครั้งไม่ใช่เป็นของได้ครับพระอาจารย์นะและ้วร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ครับอย่ารักษามันไว้ให้ดีนะอย่าไปทําลายมันครับพระอาจารย์ก็คือตอนนี้กําลังใจก็อ่าดีขึ้นดีขึ้นอ่าหน้าที่การงานก็ดีขึ้นครับแล้วก็ก็ไม่ไม่ได้ไปยึดติด อะไรตรงนั้นตามที่พระอาจารย์สอนก็คือมีก็คือเพื่อประโยชน์ให้ลูกให้ให้หลานต่อไปส่วนตัวตัวผมเองก็คิดถึงแต่เรื่องของธรรมะอย่างเดียวครับตอนนี้ก็คือถูกต้องนะายามทำไปต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับพอาจารย์ครับขอบพระคุณครับขอไปท่านต่อไปคุณอนุมาครับคุณอนได้ยินเสียงไหมเห็นนั่งหลับตา มีมคุณชุน ช, นชาดานะฮะคุณชุนชาดาคุณชุนชาดาเลยฮะในจอเรามันเนชื่ออกมาแต่คนใส่เสื้อเหลืองเนี่ยอ๋อเขาปิดเสียงยั ง, ย, งยังปิดเสียอยู่ฮะแต่คุณเขคุณชุนชาดาเปิดเสียงอยู่นะฮะพูดพูดลองพูดเข้ามาได้ได้ยินไหมคะพระอาจารย์อได้ยินอยากเชิญเลยอ๋อกลาบนาัสการค่ะคือโยมชื่อจิ๊บวันนี้ล็อกอินชื่อมา อีกชื่อหนึ่งชื่อจิ๊บที่อยู่แมรี่แลนด์เคยเคยมาสนทนากับพระอาจารย์แล้วอะคะ่ะได้จำได้แมร<อ><ด>แลรนดมรดการะคะ่สะศาสตสอบถามคือยมช่วงนี้จิตมันรู้สึกเศร้าหมองแบบเพราะว่าเนื่องจากพ่อของลูกอะคะ่ะชอบมาแบบกวนใจแม้จะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังเข้ามากวนใจแบบว่า ย, ยมจะทำยังไงดีคะว่าเวลาที่เขาสร้างปัญหาอะไรให้เรากวนใจเราทาไมเราถึงจะต้องไปคอยแบบ เจ้าไม่ไม่ใช่เจ้าเหมือนกับคิดแล้วก็ไปทําให้จิตเราตกอะคะ่ะทํายังไงถึงจะฝึกไม่ให้เราต้องมาคอยแบบตามอารมณ์กับคนคนนี้อะคะอ่ะบางทีเราห้ามเขาไม่ได้มันเป็นกรรมของเราเขายังผูกพันกับเราอยู่มันเข้ามาทวงนี้เขาเป็นเจ้านี้เราเจ้าเจ้ากรรมนายเวลเราเราก็ต้องอดทนไว้อย่าไป เกิดความอยากไม่เจอเขายิ่งทําให้เราเครียดเขามาก็ทําใจว่าเอา้ามาก็มาเมื่อก่อนก็เคยอยู่กั น, นได้เงี้ยเหรอใช่ค่ะแต่พอจะเลิกการกลายเป็นว่าเ ข, เขาก็แบบคือเขาชอบมาเรื่องเงินเป็นหลักมากเลยอะค่ะคือเขาไม่ค่อยนึกถึงว่าลูกก็ต้องอยู่กับโยมแล้วบางครั้งคําพูดคําจาคือต่อหน้าลูกเขาจะดีมากแต่พอรับหลังลูกเขาก็จะมาอะไรกับโยมเยมก็เลยคิดว่า เขาคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราหรือเปล่าแล้วถ้าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเนี่ยถ้าเรายอมให้เขาพูดไปเรื่อยๆหรือว่าเราไม่ยอมสู้อะไรแบบคือตอนนี้มันยังมีคดีเรื่องอยาหลางังเพราะยังแบ่งทรัพย์สินกันไม่ได้แต่เนื่องจากโยมก็ไม่ได้โลภให้มันต้องเกินสีหรืออะไรนะคะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะกฎหมายจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปนตามกฎหมายเพราะว่าเรามีลูกที่เราต้องเลี้ยงดูเหมือนกันแต่ทีนี้ เวลาที่มันเกิดขึ้นที่ว่าเขาก็จะหาเรื่องเราเพราะเขารู้ว่าคําพูดแบบไหนของเขาจะทําให้เราต้องเอามาคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โยมก็เลยว่าโอเคงั้นเขาคิดซะว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราก็ได้แต่ทีนี้เวลาที่เขาเรียกร้องนู่นนี่นั่นแล้วโยมจําเป็นจะต้องยอมไหมคะถ้าคิดว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็แบบเอายอมยอก็ได้ไม่เป็นเรายอมอยู่เยน็นใช่สุตรสามยอม <c oughs> ยอมแล้วก็หยุดต่อสู้ เราใจเราก็จะเย็นปล่อยเขาเราทําตัวเป็นเหมือนเสาหรือเปเหมือนฝาผนังไปแล้วก็พูดกับเสากับฝาผนังไปถ้าพักเขาก็เหนื่อยเขาก็หยุดเองคือเราไม่ต้องไปโต้ตอบเลยใช่ไหมคะก็คือนิ่งเฉยอย่างเดียวพูดโทรไปใจต้องพูดโทรพูดโทรไปอย่าไปฟังเสียงเขาพูดปล่อยก็พูดไปแล้วก็คือโทรพูดโทไปภายในใจของเรา ถ้าเราฝึกสมาธิมากขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่าจิตเรามันจะนิ่งมันจะไม่วอกแวกไปตามเขามากขึ้นไหมคะถูกต้องยิ่งเน่งมากเท่าไหร่จิตยิ่งหนักแน่นมีอุเบกขามากขึ้นแล้วอะไรมนกระทบจิตก็จะเฉยเฉยไม่รักชังกลัวหลงค่ะแล้วถ้าเวลาพระอาจารย์บอกว่าให้เจริญให้เจริญปัญญาโดยใช้ไตกดไต้ลักใช่ไหมคะ<ไ>ทีนี้<ไ> เวลาใจร<ะ>ักเนี่ยเราทําเวลาไม่นั่งสมาธิได้ไหมคะเวลาสมมติเวลาเขามากวนหรือใครมาแล้วแต่คนอื่นๆที่เราไปเจอแล้วก็จ ะ, จะคิดไปรักใช่ทำตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิตอนที่อยู่ในสมาธิไม่ต้องทําต้องการให้ใจนิ่งน ะ, ะเวลาออกจากสมาธิเจอเหตุการณ์ก็พิจารณาเหตุการ ณ, ารณ์นั้นว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอ น, นัตตานั่นคือการเจริญปัญญาใช่ไหมคะแต่สมาธิก็คือแค่บริกรรมกับพุทโธไปเราไม่ต้องไปคิดถึงว่า อาจุภะก่อนเลยแค่ให้เราใจนิ่งสงบนิ่งอย่างเดียวก่อนแล้วพอเนี่งเรารักษาความนิ่งไว้นานๆยังไม่ต้องคิดอะไรไว้รอออกมาจากสมาธิก่อนแล้วค่อยคิดค่ะแล้วคำสามสุดท้ายแล้วค่ะพระอาจารย์คือถ้าโยมตอนนี้คือโยมต้องเริ่มมาหางานทําหรือคิดว่าจะทําอะไรเพราะว่าปกติตอนแต่งงานเราเป็นแม่บ้านเราเห็นด้วยกันว่าเราเป็นแม่บ้านมาสุกกว่าปีสิบห้าปีอะค่ะ ทีนี้พอเลิกกันแล้วเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเรายังมีลูกที่เราต้องรับผิดชอบเราไม่ได้อยากไปพึ่งให้เขาต้องมาเลี้ยงดูเราเพราะการพึ่งใครมันไ ม, ม, นไม่มันไม่เท่ากับดูพึ่งตัวเองอยู่แล้วค่ะทีนี้ถ้าเกิดโยมคิดว่าถ้ายมต้องทําอะไรทัง้งงาการทั้งโลกที่เป็นการประกอบอาชีพให้มีทรัพย์สินที่พอสมควรนี่มันคือการโลภไหมคะอ๋อไม่โลภหรอกเพราะเราต้องเลี้ยงปากทอ้อง ถ้าทำงานเพื่อปากทองนี่เป็นเป็ น, ป น, ปนความจำเป็นภาพยังต้องไปบินทบาทเลยค่ะแต่ย่าหามากเกินกว่าที่เราจำเป็นจะต้องมีต้องใช้เงินค่ะถ้าโ<อ>ยมตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีงานเลี้ยงดูตัวเองและดูแลลูกและพ่อแม่ได้และมีเงินเก็บแ ล, บล้วบ ำ, ำรู้ทำนุบำรุงศาสนาอันนี้ถือว่าเราโลภไหมคะไม่โลภหรอกเป็นความปรารถนาที่ถูกต้องค่ะ ค่ะขอบคุณกาบนมัสการในคำสอนนะคะพระอาจารย์โอเคอดทนนะใช่สูตรสามยอมยอมอดทนอดทนมากๆแล้วค่ะมากๆจริงๆค่ะยอมแพ้ให้เขาชนะไปเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยก็พูดไปเราหยุดเรายแต่ถ้าเรื่องเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายเราก็ปล่อยไปตามให้มันเป็นกฎหมายใช่ไหมคะเราทาตามตามเดตุตามผลไป ไม่เราไม่เราไม่ต้องยอมความยอมคดีใช่ไหมคะถ้ามันเป็นความถูกต้องของเรากับลูกอย่างเี้ยค่ะถูกต้องทําครได้เจนกฎหมายก็ปล่อยให้กฎหมายก็เป็นผู้ตัดสินค่ะค่ะกอบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะด้วยนะคุณบอยใช่ถูกครับครับคุณคุณคุณออนูมายังยังไม่เปิดไม้นะฮะต้องต้องเปิดไม่ปุ่มซ้ายล่างนะฮะ คุณคุณนนุมาเปิดเปิดไม้ที่ปุ่มซ้ายล่างเหมือนเหมือนเปิดไมปุมปุ่มซ้ายล่างนะฮะที่สีแดงอ่ะตัวสีแดงสีสีแดงโอเคมาละอันนี้กำลังจะากาลังจะเข้าแล้วฮะโอเคอ่ะกดกดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไม้ให้การนมัสการนะคะโอเคอ่าอยู่ที่ไหนอยู่ดอนเจ้าค่ะมา อ, อ, อุดรเออบ้านตาล ไปไปบ้านตาตลอไปตลอดเจ้าค่ะค่ะดีลูกศิษย์หลวงตาเนี่ยใช่ไหมค่ะอ่ามีอะไรจะถามไหมวันนี้ค่ะอยากจะถามอะไรบ้างฟังทำพระอาจารย์ตลอดเจ้าค่ะอ่าดีร่วมฟังทำวันนี้ไม่มีอะไรถามเจ้าค่ะไม่มีนะอย่างนี้ก็ฟังไปเรื่ ก, กันนะ อาจารย์ท่านตอไปคุณบอยใคร<ข>อครับอาจารย์ท่านมีมีคำถามจากในเฟสนะฮะจากคุณกุ้งนะฮะหลวงพ่อคะนั่งไปแล้วพุโทโธหายบ่อยทําอย่างไรดีเจ้าคะก็เรียกกลับคืนมาซิพุโทโธหายแล้วก็ต้องท่องขึ้นมาใหม่พุโทโธใหม่บางทีเราเผลอแล้วเราลืมเราขี้เกียจมันก็หายไปเหมือนสวดมนอี่สวดมนไปถ้ามันหายแล้วก็ต้องสวดใหม่จนกว่าจิตจะสงบนิ่งแล้ว ใจสว่างเบิกบานก็หยุดหยุดท่องพุทโธได้ถ้าพุทโธหายแล้วใจยังไม่นิ่งก็ต้องพุทโธต่อไปท่านต่อไปใ ค, ใครต้องการพูดเปิดเปิดไม้ได้เลยนะฮะเปิดไม้หรือยกมือขึ้นก็ได้นะฮะคราบนรมัสการครับคือเมื่อก่อนนะครับตัวกอลเองทำสมาธิได้เยอะครับ แต่พอมาทํางานนะครับมีเรื่องให้ต้องคิดมากมันก็เลยไม่มีสมาธิที่จะไปทําอะครับมีแต่เรื่องคิดทั้งวันทีนี้อยากกลับขอกันบ้านครับผมก็พยายามคิดแต่เรื่องที่จําเป็นต้องคิดเสียเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดก็อย่าไปคิดมันหยุดมันใช้ตายลกักมาหยุดมันก็ได้วะเดี๋ยวก็ตายแล้วจะไปเอาอะไรกับอะไรมากนะเพียงแต่เรื่องดูชีวิตให้รอดไปวันวันหนึ่งก็พอแนะ ปัญหาอะไรแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอาจจะได้ไม่ต้องคิดมากครับนะหรือได้คิดทางปัญญาไม่ได้ก็ทำของพุทธอพุทธทอไปสวดอิติปิโสไปครับปล่อยให้ใจคิดเพลิดเพลินนะครับสาธุครับมาเชิญท่านต่อไปท่านต่อไปยกมือขึ้นยกมือขึ้นได้เลยนะฮะถ้าใครจะพูดฮะเดี๋ยวเปิดไม้ให้ หรือเปิดเองเลยก็ได้นะฮะเปิดแล้วครับโอเคเปิดใหม่แล้วครับคุณประหยัติอยู่ที่กรุงเทพเลยนะกล่าวนาัสการพระคุณเจ้าครับผมประหยัดศัสดีครับอจากจังหวัดสกลนครครับอ๋อสกลฝนตกก็เปล่าตอนนี้ฝนยังไม่ตกครับคึมๆเฉยๆครับโอเคผมยู่อำเอเมื อ, ง ค, มองครับเมียจะถามไหมอ่าตั้งแต่ผมปฏิบัติ ตามที่พระคุณเจ้าสอนมาอตอนแรกๆที่นั่งสมาธิทำ ส, สมาธิดันผมใช้วิธีดูลมหายใจพรากฏว่าสงบดีมากเลยครับจนจำได้เลยว่ามันมีความสงบมันมีความสุขจริงๆแล้วก็เป็นครั้งเดียวตั้งแต่นั้นมาไม่เปลี่ยนอีกเลยครับจะแก้ยังไงครับนี่แก้ที่สติไงพยายามฝึกสติให้มาก เวลาไม่ได้นั่งก็พยายามท่องพุโทโธแล้วคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราอย่าปล่อยให้<ป>ใจคิดเลื่อยเปื่อยแล้ว<ป>พอเวลามาน ก, ก็อย่าไปคิดถึงผลที่เคยได้ในคราวที่แล้วอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากให้มันเหมือนคราวที่แล้วคราวที่เคยเสมองทำให้ไม่รู้ไม่ชี้ไปพูดพยายามกาพัฒนาพูดอยู่คร<ป>ับว่าไม่รู้ไม่ชี้ถ้าไปคิดถึงมันไปไปรุ่นนี้มันจะไม่เกิด ใช้อะไรดูลมก็ดูลมไปลมเข้าลมออกดูไปครับคนที่สองคือผมใช้ผมใช้พุโทโธเนี่ยเป็นครับแต่ก่อนผมใช้พุโทโธไม่เป็นไม่เข้าใจ <c oughs> เข้าใจว่าการใช้พุโทโธนี้จะต้องบวชเป็นพระเท่านั้นไม่ไม่ไม่เข้าใจว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแม้กระทั่งขับรถก็พุโทโธไปด้วยได้ครับแล้วก็มีสมาธิดีด้วย มีสติดีด้ดวยควบคุมอารมณ์ได้ด้วยครับผมได้ดีมากพุโทโธนี่เป็นยาวิเศษของใจครับผมเพิ่งใช้เป็นครับตั้งแต่ผมกเกษียณมาดีพยายามใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปจนวันตายเลยจนลมสุดท้ายนะ<ม>แล้วใจจะนิ่งใจจะสบายจะเป็นอะไ ร, รใจจะไม่เดือดร้อนก็คิดว่าตอนจิตจะดับก็จะใช้พุโทโธนี่แหละครับเป็นเพื่อนไปด้วยกันดีนะ จิบไม่ดับไอ้ที่ดับก็คือร่างกายจิตมันไม่ดับหรอกไอ้ที่ดับคือร่างกายคนก็เข้าใจผิดเขาบ่กไปไปดับจิตจิตมันไม่ดับหรอกไอ้ที่ดับก็คือร่างกายมันอยู่ท้ายใจร่างกายมันก็ดับแต่จิตไม่มีวันดับนะไม่ต้องกลัวครับกลับนมัสการพระคุณเจ้าครับหมดคำถามครับท่านต่อไป ใครอยากจะถามใครอยากจะพูดก็เปิดไมค์พูดได้ ค, คุณสุพัฒนาคุณสุพัฒน า, ฒนากดกดเปิดไมค์ได้เลยฮะเห็นคุณ ine, เกษรินพร้อมเนี่ยเมื่อกี้คุณเกษรินคินีก่อนก็ได้เจ้าค่ะครับอ่าเไเลยค่เปรรอปปิดไมค์แล้ว<ำ>คุณเกษรินคุณเกษรินมาก่อ น, นกรบน้ัสการค่ะพระอาจารย์จากนอร์ทแคลใช่ไหมใช่เจ้าค่ะสบายดีไหมคะพระอาจารย์สบายดีจ้ะวันนี้น่องผิวว่า นกอยู่ข้างล่างน ะ, ะข้างล่าง น, นะค่ะเมื่อสองสองวันก่อนลูได้นั่งสมาธิน่าจะขาแล้วก็สามชั่วโมงเต็มๆไม่มีอาการเบื่อจ้าค่ะแล้วก็มันจะมีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งระหว่างนั่งจะมีเหมือนคล้ายๆเรามีพายุเข้ามาทำด้านซ้ายนะคะแต่ก็คือกำหนดว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันมาแล้วมันก็ผ่านไป ก, ก็พยายามกำหนดละ กำหนดนะเจ้าค่ะแต่ว่า <S <S <ช>มันก็ยังไม่หายก็เลยเฉยๆก็มาพิจารณาที่ลมมาดูล ม, มสักพักหนึ่งเขาก็หายของเขาไปเองอ่ใช่ใช่ใช้ลมเป็นที่ยึดของจิตใจนะเวลาอะไรจะมาหลอกล่อใจอย่าไปตามมันอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งเจ้าค่ะแล้วจะมีอีกช่วงที่ว่าลมก็ไม่ยอมดูนะเจ้าค่ะจิตเหมือนจิตดูจิตนะเจ้าค่ะอธิบายไม่ถูก ก็ถูกถ้าถ้าเข้าเข้าถึงจิตแล้วก็ดูจิตเลยก็ได้คือแล้วก็หยุดมนดูแล้ว<ข>ต้องหยุดม่นค่ะเขาไม่ไปจับที่ลมแต่เขาจับที่จิตแทนแลูกก็ว่าอ้าวเขาเปลี่ยนเองได้เหรอหรือว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนของเขาเองนะเจ้าค่ะก็เปไ็นเวลาลมนี่แหละพาให้เราไปหาจิตพอเจอจิตเราก็เปลี่ยนจากลมมาดูจิตได้โอเจ้าค่ะแล้วก็ูดูแล้วต้องหยุดมันนะอย่าปล่อยให้มันคิดตูงแตกนะเจ้าค่ะ ให้มัน<ด>นิ่งให้มันเฉยเฉยให้มันสักแต่ว่าลูกช่วงนี้ลูกจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวบ่อยคือเขาร่วมโตนะคะโตแล้วก็เหมือนกับว่าหัวไวดุ่นนะคะก็คือเขาใช้ชีวิตเด็กต่างประเทศเยอะก็ค <c ười> ือว่าวัฒนธรรมาขินเราก็จะยอดเที่ยวแต่ <c ười> ไม่ไม่ค่ะคือไม่เลยค่ะแต่เพียงจะว่าจะดื้อกับแม่นิดนิดหน่อยก็คือ พูดอะไรไม่ถูกใจเราก็ประมาณที่ว่าเออเขาพูดไม่ถูกใจก็ปล่อยเขาเราก็ใช้อุเบกขาเอาไม่ต้องไปโมโหเขาก็จะพยายามถามแม่ว่าแม่เป็นอะไรไม่พูดเนี่ยเราก็เฉยแล้วก็ยิ้มแต่เราก็ไม่พูดพราพยายามระงับโทสะของตัวเองเพราเป็นคนมีโทสะเฉลี่เยอะมีนี่แหละวิธีที่ดีสุดหนึ่งเฉยใช่แล้วค่ะหนูก็เลยโยมก็เลยคิดกลับไปว่า เนี่ยมันไม่เที่ยงเหมือนอย่างที่ว่าโยมเคยฟังพระอาจารย์เทศที่มีช่วงหนึ่งเวลาถ้าลมพัดเราไม่สามารถสั่งให้มันหยุดได้นอกเสียจากว่ามันหยุดของมันเองได้โยมเลยอาคมสอนว่าเป็นลมเนี่ยเป็นอนนาตาเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะควบคุมบังคับเขาไม่ได้แล้วเพร่อวานโยมควบคุมควบคุมใจเราได้ทําใจเรานิ่งเฉยได้เจ้าค่ะแล้วเราจะได้สบายไม่เดือดร้อน ใ้่ค่ะเมื่อวานยองไปโรงพยาบาลก็นึกว่าพระอาจารย์จะไลฟ์ตอนไหนกลัวว่าเจจะมาไม่ทันพระอาจารย์โทคดีที่ว่าพระอาจารย์ไม่ได้ไลฟ์วันนี้เมื่อวานนี้ติดธุระมันเมื่อวานนี้ต้องเทศตอนกลางวันเลยเนื่อยวันไหนมีเทศตอนกลางวันก็จะไม่ได้ทำตอนกลางคืนวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี่ไม่ไม่สะดวกหรือวันหยุดราชการเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดราชการ โยงพยายามเอาเชโยงพยายามเอาคำสอนของพระอาจารย์มาพิจารณาเหมือนกับว่าโยมไปโรงพยาบาลเมื่อวานเนี้ยเห็นคนเนี่ยเดินเข้าออกเข้าออกแล้วก็เห็นคนแต่ละคนก็ไม่ไมแตกต่างจากโยมที่ว่าหัวหนึ่งแขนสงขาสองไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเลยมันเหมือนมีา้าขา มันเป็นกลายเป็นว่าจิตมันวางเฉยไปเลยเจ้าค่ะไม่ไม่ได้มองว่าคนนี้หรอกคนนี้สวยคือว่าเหมือนกับว่ามีเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่แตกต่างกันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลด้วยเป็นเพียงเหมือนต้นไม้ต้นไม้เดินได้ทางกายก็มาค่ะเดี๋ยวก็ต้องล่มสลายกลายเป็นดินไปกลับคลืนสู่ดินไปทั้งของเขาทั้งของเราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆ เห็นห่างกายของใครเห็นหน้างกายของเราก็พิจารณาไปก่อนเลยว่าต่อไปมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่ตัวเราเราจะไม่<ย>ลองไปกังวลเจ้าค่ะโยมีคำถามหนึ่งคำถามจะถามพระอาจารย์ว่าถือสินแปดเนี่ยสามารถดื่มกาแฟตอนเย็นได้ไหมเจ้าค่ะได้ไม่ห้ามกาแฟดื่มได้แต่อย่าใส่นม้นะีนมถื อ, อว่าเป็นออสออถ้าครีมนี่ <คา S 2> นก็ได้ไดนะใช่ไหมเจ้าค่ะได้ น้ำชากาแฟได้หมดเอแล้วก็พวกสมุนไพรทั้งหลายพวกอพวกน้ำข็งพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นยา้โกโก้ผมโกโก้ก็ดื่มได้ช็อกโกแลตก็ช็อกโกแลตแบบไม่มีนมก็กินได้ช็อกโกแลตบบดารช็อกโกแลตอย่างเงี้ยบิทเตอร์สวีทกนี้กินได้ผู้นี้ก็จะได้เดือนดึงแล้วที่โยมถือศีลแปดโยม โยมคิดว่าโยมอาจจะต่อเนื่องไปนะเจ้าค่ะแต่ว่ายังไม่รู้ดูดูตามกําลังกําลังของตัวเจ้าของอทําได้ท้าหลายทาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปเจ้าค่ะต่อไปก็ทำได้เจ้า ค, ค่ะมันจะมีช่วงหิวช่วงยิเย็นแค่นั้นแต่ว่าพอพ อ, พอหลังจากนั้นไปแล้วมันก็ไม่หิวนะเจ้าค่ ะ, ะเวลามันหิวก็ลองให้มันคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอาหารอยู่ในท้องอย่าไป ค, คิดถึงอาหารที่อยู่ในจาน ถ้ามันคิดถึงหน้าอาหารเนี่ยจะอยู่มากแต่พอคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากคลายออกมาแล้วมันจะไม่อยากกินอะเจ้าค่ะนะวิธีแก้ความหิวความอยากของใจเวลาอบ อ, อาหารอันนี้เป็นเครื่องมือดีคิดถึงมันจะมี ป, ปูน <c oughs> ถ้าจะปฏิกิรปูนของอาหารจะเป็น จ, จะมีอาการแบบเ ห, ะะเหมือนคล้ายกิเลสนะคะเหมือนอยากกินมากเลย เหมือนว่าอาการมันหิวมันกำเริบมันมันอยากกินนู่นอยากกินนี่คิดไปถึงนู่นแต่ว่าพอพอมันได้นั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิมันก็หายหิวไปไปเองโดยที่ว่าจิตเราไม่ได้ไปนึกคิดนะคะเราไม่ได้ไปปรุงแต่งถึงมันวิธีจะหาอย่างถางวรก็คือเนี่ยให้มันคิดถึงอาหารในท้องเวลาอาเจียนออกมาเป็นยังไงเวลาอยู่ในจานก็น่ากินอยู่แพอเข้าไปในท้องแล้วเป็นยังไงหรือเวลาออกมาจากท้องก็เป็นยังไงะ แล้วต่อไปมันจะไม่ขิวกับอาหารแล้วก็โยมเคยบอกพระอาจารย์ช่วงก่อนว่าโยมมีปัญหาเรื่องหลังแต่ช่วงเนี้ยรู้สึกว่าการที่ว่าได้นั่งสมาธิภาวนาบ่อยๆเหมือนกับว่ามันทุกเราลงแต่ไม่รู้ด้วยเกิดเพราะเหตุอันใดแต่ว่าจากที่นั่งไม่ค่อยได้มันกลับกลายเป็นว่าเริ่มนั่งได้มากขึ้นนะเจ้าค่ะเพราจิตเราสงบมากขึ้นมันเลยไม่ไป มไม่มันไม่ไปยึดติดกับร่างกายมันก็เลยไม่เป็นปัญหาเมื่อก่อนนี้จิตเราไม่สงบมันก็เลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเจ้าค่ ะ, ะมีโอกาสได้กลับเมืองไทยได้ไปกลับนำมาสการพากจารเออได้ว่างว่างก็างางางม า, มานะตอนนี้ก็กลับ ท, ที่นั่นก็นไดเ้เจอกันบ่อยๆพยายามจะซูมโลกประเทศเจ้าค่ะ โยมคงไม่ไม่ได้อยู่ประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์เพราะว่าจะขึ้นไ ป, Jersey, ปนิวเจอร์ซีย์ไปหาลูกสาวคนโตนะเจ้าค่ะก็เดี๋ยวนี้มือถือนี่ไหนมันก็เปิดดูได้ไม่ใช่ต้องอยู่ที่บ้านมีมือถือก็เปิดดูได้เจ้าค่ะนะโอเคนะให้ท่านหนึ่งพูดบ้างะนะเจ้าค่ะกรบกาบ <หา S 1> สาธุเจ้าค่ะนะใจอยากจะพูดต่อคุณสุบพัฒนานะฮะคุณสุบพัฒนาเปิดไม้ได้เลยฮะนวัสกาค่ะสวัสดีคุณบอยด้วยนะคะขอบพระคุณ อยู่ที่ทบอวินใช่ไหมบอ่อวินใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดค่ะอยู่บอวินเจ้าค่ะอะ อ, อย่างไรมีอะไรเปล่าว น, นี้ก็ตอนแรกว่าจะเข้ามาฟังพระอาจารย์เฉยพอดีว่าวันนี้มีโอกาสได้ขับรถแล้วได้นั่งรถก๊างเทฟของวันนี้นะคะพระอาจารย์ฟังตอนแรกก็ธรรมดาค่ะแต่พอตอนตอนถูกแล้วอ่ะกลังพราจารย์กลังจะให้พรนะคะ เสียงขาดการได้หายพูดใกล้ๆหน่อยได้ไหมเสียงคุณอา่อาอ่พูดใหม่ต อ, อช่วงจะจบจะจบเทปอะค่ะเอ่อพระอาจารย์สรุปข้อความว่าตั้งแต่เทศมาก็คือมีมีมีการปฏิบัติอยู่สีขั้นขั้นทานขั้นศีล ข, ขั้นสมาธิแล้วก็ขั้นปัญญาพอพระอาจารย์จะสรุปแล้วอยู่ดีๆมันก็แวบมาที่ที่หัวใจอะค่ะแล้วมันก็ร้องไห้ออกมาอันนี้มันไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร คื อ, อ, คอจิตบางทีมันประทับใจมั้เวลามันได้สัมผัสอะไรที่มันประทับใจมันก็น้าตาไหลได้ร้องไห้จนอยุดหรือพักนึงอาหาแล้วก็พยายามหยุดเพราะว่ามันอยู่ดีๆมันออกมาเอหลวงตามหาบัวท่านยังเคยร้องไห้เลยท่านประทับใจกับธรรมะที่อได้สัมผัสยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห ม, มายความว่าเราคิดไปเองใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่หรอกมันมันเป็นใจเป็นใจที่เวลามันสัมผัสกับอะไรแล้วเข้าไปในใจมันก็อดที่จะมีปฏิกิริยาไม่ได้มันก็ถ้าใจเราไม่ท่า ก, กับมันก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ทุกเลยฮะคือมันมีความถือว่าเข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์พูดมากขึ้นนะฮะว่าในในสีขั้นเนี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วผมมมันมีอะไรใช่นี่ยนะแต่ว่าเป็นดวงตาเห็นธรรมก็ได้เห็นเห็นขั้นมรรคล้ะเห็นมรรค เห็นทางนะว่าเราต้องปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาไม่ไดไ้คิดไปเองใช่ไหมโยคะไม่ไมหรอกก็คิดได้คิด อ, อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมเลยต้องมันต้องคิดคิดแล้วมันเข้าใจพอเข้าใจมันก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมา<ฆ>ต่อไปมันจะไม่ลืมถ้ามันเข้าใจแล้วมันจะไม่ลืมอ่าค่ะ ก็ดีคุณทีเหมือนแรกว่าจะเข้ามาฟังเฉยๆพอมีข้อนี้เข้ามาก็เลยขออนุญาตถามถามว่าค่ะโอเคได้นะให้ท่านหนึ่งพูดต่อนะคุณคุณตาต้าจะเปิดไม้ไหมฮะคุณตาต้าท่าตาอ้าเปิดแล้วคุณพูดได้เลยอันนี้คุณลันรันยารัชยาครับครับครับคุณอาจารย์เจ้าค่ะ อ่อยู่ที่ไหน <c oughs> อยู่สัตหีบเจ้าค่ะอ๋อสายบาทตอนเช้าใช่ไหมคุณครูใช่ค่ะ<ข>าอะาจารย์ค่ะคือดูมีความระเสิงว่าเหมือนการปฏิบัติมันไม่เจริญมันไม่ก้าวหน้าบางทีแบบมันตัวเองต้องอาศัยเอาศีลมามาคลุมอ่ะเพื่อที่จากตน้อยสติมันน้อยต้องฝึกสติพูดโทยให้มากๆหน่อยกำลังมันไม่พอ พยายามฝึกโทตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาจะทํางานทําแต่งน้ำอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งเนื้อ<ะ>แต่งตัวต<ร>จะเป็นมานตีสี่ก็จะฟังแบบทําทําวัดเช้าของช่องอมารินก็จะฟัง<ม>สวดมนต์ไปแต่ว่าจะไม่ได้นั่งสมาธินะคะเพราะว่าแต่ก็จะฟังฟังทําวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะแบบบทสวดนู่นนี่นั่นแต่ ไม่ค่อยได้นั่งสมาธินะเจ้าค่ะเพราะยังสติเรายังมีกําลังน้อยไงถึงบอกให้หัดท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจเวลาเราอ่าบน้ําแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี่ก็อย่าให้มันคิดให้มันคิดแต่พุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวจะมีกําลังอยากจะนั่งสมาธิเองอ๋อเจ้าค่ะอันนี้มันไม่มีกําลังนั่งแล้วมันสู้ไม่ไหวสู้ความคิดไม่ไหว จ้างแล้วก็คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้มันก็เลยไม่อยากจะนั่งเพราะงั้นต้องฝึกสติคอยควบคุมความคิดไปก่อนที่จะมานั่งนะเพื่งที่เราทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะเป็นงานสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะอาจารย์มีอะไรอยากกระทำอีกไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าสาธุอาเชิญท่านต่อไป อาจารย์ครับมีคำถามจากในเฟสนะครับจากคุณรสชนาครับหลวงพ่อคะนั่งสมาธิแล้วจิตนิ่งพอสมควรพอนิ่งแล้วก็เหมือนมีอาการเคลิมพอจากนั้นบางครั้งก็มีอาการกายกระตุกจิตเหมือนวูบลงไปหลังจากนั้นก็กายเบาแต่มีความรู้สึกทุกอย่างแบบนี้หนูทาถูกไหมและควรทำอย่างไรต่อคะถ้าใจมันมีความรู้สึกตัวอยู่ก็ถูกต้อง ใจเบาใจสงบก็ใช้สติประคองให้มันสงบไปนานๆอย่าเพิ่งออกจากสมาธิอย่าเพิ่งพิจารณาทางปัญญาพยายามรักษาใจให้อยู่ในความสงบไปนานๆจนความจะสู้มันไม่ไหวมันอยากจะลุกนอกจากว่าถ้าเราอยากจะนั่งต่อลรวก็บริกรรมพุทโธต่อไปเพิ่มเพิ่มสติขึ้นมาใหม่ทำพุทโธพุทโธพุทโธไป แล้ว เ, เดี๋ยวมันก็จะนั่งตอบไปได้มันก็จะสงบอีกรอบนึงได้มีร<น> อ, อยาจะพูด<น>ไหมคนต่อไปไคุณคุณยกยกมือขึ้นได้เลยนะฮะคุณคุณกล้องนะฮ ะ, ะเปิดไมค์ไดฮะครับอ่าผมขอากาพเรียนถามพระอาจารย์หนึ่งคำถามนะครับว่าอ่าอาชีพที่ค้าขายชีวิตสัตว์แต่เป็นสัตว์ประเภทสัตว์สวยงามเช่นปลาคราบปลาเงินปลาทองอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นมิจฉาอาชีพหรือไม่แล้วก็คน แก้ไขหรือเปล่าครับคือถ้าเขาไม่เอาไปค่ามันก็ยังก็ยังไม่เป็นปนัญหาอะไรก็ยังทําได้อยู่แต่มันก็ยังเหมือนกับถูกกักขังอยู่ช่วไปทําอาชีพยอย่างอื่นดีกว่าเพราะถ้าเราถูกเขาเอาไปขายค่าขายแล้วให้เราอยู่ในกงในข้องนี้เราก็คงจะไม่ชอบใช่ไหมครับอาจารย์ที่ถึงโหเขาโง่ออเราก็แล้วกัน ครับกาขอบะคุณครับท <Okay. S 2> ่านอาจารย์โอเคท่านต่อไปครับ ค, คุณตาตาเปิดได้ยังครับท่านต่อไปยกมือยกมือขึ้นเลยนะฮะคุณจิ๊ปนะฮะคุณจิ๊ปพูดได้เลยฮะกดเปิดไม้ได้เลยค่ะขอฟังฟังไปก็มีคำถามค่ ะ, ะหลวงพ่อพอดีว่าอตอนโยมนั่งสมาธินะคะ ก็จะใช้เหมือนจะฟังทมไปด้วยนะคะเป็นเป็นชั่วโมงเลยล่ะคะ่ะแต่แต่จิตจิตก็จะเป็นสมาธินะคะไม่ทราบว่าการฟังทมไปด้วยแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยนีย่มันมันเป็นการเรียกว่าเป็นการนั่งสมาธิหรือเปล่าคะเป็นเพราะผลของการฟังทมก็จะได้ความสงบแต่ต้องอยู่ที่เสียงธรรมนะอย่าไปพูดโทแข่งกับเสียงธรรมนั่งฟังไป ไม่ไม่ไม่พูดโทรค่ะแต่ว่าโยมพิจารณากายแทนแต่แต่หูรับรู้ค่ะคือฟังฟังทํเาเขา้าใจแล้วบางทีมันจะมีอาการเหมือนอาการโยกอาการโยกโยกกับเพิ่มหรือยังไงเนี่ยคะ่ะถ้าโยกมันก็เหมือนกับไม่มีสติถ้าสติ ม, มันก็โยกแต่แต่รู้แต่โยมก็รู้ว่าว่าตัวโยกนะคะแต่ไม่ได้ปล่อยใจให้ไปตามตามตามอาการโยกนะคะ อย่าให้มันโยกเสียอย่าให้มันโยกถ้ามันโยกก็แสดงาสติเราไม่ไม่สมบูรณ์นะก็ก็แสดงว่าอันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นสมาธิใช่ไหมคะไม่เป็นอะถ้าเป็นสมาธิจริงร่างกายมันต้องนิ่งไม่โยกน้นฟังธรรมอย่างเดียวดีกว่าเวลานั่งฟังธรรมก็ฟังเสียงธรรมไปอย่างเดียวอย่าไปพิจารณาร่างกายพร้อมกันสองอันอ๋อค่ะอืม อถ้าจะพิจารณาร่างกายก็ปิดเสียงธรรมไปเลยเอาอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเพราะบางทีโยมก็สอบสนว่ายังไงมันถูกเพราะว่ามันเหมือนเคยไปฟังของที่เหมือนว่าให้มาพิจารณากายอสุภะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนึกเอาอย่างเดียวนะอย่าไปทำสองอย่างพร้อมกันอย่าไปฟังธรรมแล้วก็พิจารณาด้วยมันมันชนกันอ๋อค่ะถ้าถ้าจะฟังธรรมก็ฟังธรรมไปอย่างเดียวแล้วก็นั่ง ด้วยเอนั่งฟังไปได้เลยอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอย่างอื่นค่ะค่ะไชเรื่องเลยค่ะน้องกราบนมัสการสาทุค่ะถ้าอยากจะพิจารณาร่างกายก็ไม่ต้องฟังทำปิดทำแล้วก็พิจารณาร่างกายไปค่ะค่ะค่ะกราบสาธุค่ะจะได้ไปทําถูกต้องค่ะเพราะบางทีก็สาธอลองดูแล้วมารายงานข่าวหน้าไปทําการบ้านดูนะค่ะค่ะน้องกราบสาธุค่ะ ครับต่อไป ค, คุณเชอรี่มีอะไรจะพูดไหมครับคุณเชอรี่ฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเด๋เปิดให้กดกดกดกดปุ่มที่อ่ันมิวนะฮะอ๋อค่ะสวัสดีค่ ะ, อ, ะอยู่ที่ไหนคุณเชอรี่อยู่นครสวรรค์ค่ ะ, ะมีอะไรจะถามไหมเอ่อเนื้อหนู ปฏิบัติแล้ว เ, เวลามีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็เรารู้ว่ามีอารมณ์นะคะแต่อย่างอย่างเช่นโกรธมากหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้ว่าโกรธขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ไม่ถึงไม่ถึงใจอย่างเงี้ยค่ะมันโกรธเห็นแล้วก็ตัวกายเบาจิตเบาอะไรประมาณเนี้ยค่ะตัวเราเบามันมันมันเห็นเราดับความโกรธได้ค่ะเวลาโกรธ หนูหนูมองแค่ว่าเห็นว่าโกรธแต่เราไม่ไปยุ่งกับมันนะเแค่แค่รู้ว่ามันมันแค่แค่แสดงเหมือนเกิดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแต่เราก็แค่รู้แค่นี้ค่ะอย่ามันก็ดับประมาณนี้ค่ะได้อย่างนี้ก็ได้อย่าแสดงอาการต่อไปก็แล้วกัน<ะ>เวลามันโกรธอย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรค่ะอ่าใช่แล้วหนูก็รู้สึกว่าอ๋อพอมันเห็นอย่างนี้ปุ๊บมันมันเหมือนเห็นว่า เอออันนี้มันก็มันก็แค่แสดงของมันว่าโกรธมานะมันเป็นสังขารอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ม, มันไม่ได้มาลงที่ปกติเรากโกรธปุ๊บเราก็จะโอ้ยฉันโกรธฉันอะไรนี้ใช่ไหมคะอันนี้หนูก็เออแค่นั้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวมันแสดงเด็กอย่ามันเราแ ย, ยากใจออกจากอารมณ์ได้อารมณ์ความโกรธเป็น อ, อารมณ์ใจเป็นผู้รู้อารมณ์อย่าไปตามอารมณ์อย่าไปทําตามอารมณ์โลภก็เหมือนกันโกรธก็เหมือนกัน โลภอยากได้อะไรก็อยากไปทําตามมันค่อนจะทําต้องใช้เหตุผลว่ามันจําเป็นไหมเช่นเห็นเสื้อสวยอยากจะได้มาเนี่ยค่ะเสื้อเราพอใช้หรือเปล่ า, าถ้ายังมีเสื้อพอใช้อยู่ก็อย่าไปซื้อมอัมนค่ะ ก็ก็คือเหมือนประมาณว่าใช้หลักการเดียวกันใช่ไหมคะว่ามันก็แค่เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนอารมณ์โกรธความอยากได้ก็เหมือนอารมณ์โกรธเหมือนกันอ๋อค่ะใช่เหมือนกนอกจากมันจําเป็นจริงๆรงองเท้าขาดไม่มีรองเท้าใส่็ต้องซื้อมซื้อมาได้พระเจ้าลูกค่ะอืแต่ถ้ามีหลายคู่แล้วก็ใช้ของเก่าไปก่อนก็ได้ค่ะค่ะจะได้ประหยัดทรับจะได้ไม่ต้องหางาน ค่ะจะได้มีเวลามาปฏิบัติค่ะค่ะมีมีแค่นี้ค่ะมีเวลาว่างก็หันนั่งสมาธิไปด้วยนะสมาธิหายใจเราแก่ขึ้นเย็นมากขึ้นได้ค่ะได้ทำให้มีกําลังหยุดหยุดความอยากได้ง่ายขึ้นหยุความโลภได้ง่ายขึ้นค่ะนปัดตาดูลมหายใจไปเดี๋ยวจิตก็สงบเองอมได้ค่ะได้นะ ได้ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะคุนต่อไปต่อไปคุณคุณพิทักษ์ครับคุณพิทักษ์มีมีอะไรจะพูดไหมครับคุณพิทักษ์ตับนวัตการครับอาจารย์อยู่ที่ไหนคุณพิทักษ์อยู่อุดรครับผมก่อนหน้านี้ก็เคยได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามพระอาจารย์ทางนี้บ้างครับผมอ่าวันนี้มีอะไรบรือ่า มีครับผมก็อยากจะถามพระอาจารย์นในเรื่องการปฏิบัตินะครับคื อ, อก็มีครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ปฏิบัติก็เริ่มจากอิริยาบถข่านั่งก่อนก็นั่งมาจนผลปรากฏว่ามันเกิดความสงบเกิดขึ้นในใจแล้วทีนี้ก็ลองสำรวจดู ว, ว่ามันมันสงบมันไม่มีเรื่องหรือเรื่องใดมาทิ้งเลยนอกจากจิตที่ว่ามันอยู่ความสงบอย่างเดียวก็เลย เปลียนอิริยาบถ ม, มาเดินนะครับเดินจงกรมแต่ว่าทีนี้ลองมาพิจารณาโดยการยก อ, อสุภะขึ้นมาพิจารณาในตอนนั้นก็คือเป็นเรื่องของเส้นผมนะครับโดยเริ่มแรกก็คิดเห็นตามสภาพความเป็นจริงตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ตอนเกิดขึ้นมาว่าสภาพผมมันเป็นเช่นไรเนี่ยนะครับลำบางที่ว่าคิดอยู่นั้นมันก็จิตมันก็จดจ่ออยู่กับ เร่องเดียวครับมันก็เข้าใจมันก็รู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงว่าเกิดมาตอนเป็นเด็กมันก็ไม่มีเส้นผมแต่พออายุขึ้นมาหน่อยก็เป็นเส้นผมขึ้นมาเล็กๆน้อยๆจนถึงวัยวัยสาวก็เป็นผมตามที่เราที่เราเห็นตามภาพสภาพความเป็นจริงนะครับจนจนถึงวัยช่วงวัยหนึ่งก็เป็นผมขาวเป็นเหมือนที่ว่าคนเราส่วนมากไม่ไม่ชื่นชอบนะครับก็ไป ทำไปย้อมให้มันเกิดความสวยงามก็คือระหว่างที่คิดอย่างนี้มันจิตมันก็เข้าใจในสิ่งที่กําลังคิดอยู่ครับแต่พอสักพักหนึ่งเหมือนกําลังจดจ่อยอยู่แล้วอยู่เฉยเฉยมันก็คิดไม่ออกขึ้นมาเนี่ยครับอาจารอันนี้คือสติเราหมดกําลังใช่หรือเปล่าครับจะว่าหมดก็ได้หรือว่าบางทีจิตมันอิม่มันไม่ต้องพิจารณาก็ถ้ามันไม่ไมัน ไ, ไ, ไม่คิดอะไรก็ให้มันอยู่เฉยเฉยไปมันมเป็นสมาธิไปก็ได้ อันนี้ก็เป็นวิธีทําสมาธิได้เหมือนกันพิจารณาร่างกายอสุภาพไปแล้วจิตมันมันหยุดคิดเองแล้วมันก็จะสัตว์แต่ว่าลืมไปครับทีนี้เราเราไม่ิดอะไรก็ให้มันให้มันให้มันนิ่งเฉยๆไปแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราอยากจะเข้าใจอย่างนี้มันลึกกว่านี้ก็เราก็ต้องเข้าไปหานความสงบอีกเหมือนเดิมก่อนแล้วก็มาคิดต่อเช่นนะครับอาจารย์คิดเรื่องที่มันยังค้างอยู่ ใช่แต่เวลาที่มันเข้าไปข้างในอย่าไปคิดนะให้มันสงบนานๆถ้ามันอยู่ในความสงบนานๆมันถึงจะมีกําลังที่จะมาคิดต่อได้ครับเราต้องคิดหลายๆอย่างผมเย่างเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องมองเข้าไปข้างในดูกระดูกบ้างดูโคองกระดูกดูปอดหัวใจดูตับดูไตดูลำไส้มันจะได้เกิดความเบื่อหน่ายมันจะได้ไม่หลงไปรักร่างกายของใคร พอใจไหมครับผมดูผมอย่างเดียวบางทีมันยังอาจจะหลงยังเนี้ยยังอาจจะชอบได้ครับ้ดูจนถึงไม่อยากจะชอบเลยเห็นแล้วไม่อยากยุ่งเกี่ยวเลยต้องดูเข้าไปข้างในด้วยดูโครงกระดูกดูปอดดูหัวใจดูตับดูไตดูลำไส้ดูสมองอย่างนี้ถือถือว่าถูกใช่ไหมครับอาจารย์ในการปฏิบัติ ถ้าผมอย่างเดียวมันเป็นเพลงจุดเริ่มต้นยังไม่พอทำอะไรให้ครบสามสิบสองอาการเลยดูมันไปทุกอาการเลยผมอยู่ตรงไหนขนอยู่ตรงไหนเล็บอยู่ตรงไหนฟันอยู่ตรงไหนเนื้ออยู่ตรงไหนเอ็นอยู่ตรงไหนก็ดูอยู่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไ ร, รดูมันไปเรื่อยๆนะพอใจไหมพอใจครับโอเค แล้วต่อไปจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ไม่มีอะไรสวยงามเลยไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายหรือเป็นใครก็ตามพอเห็นเข้าไปข้างในแล้วมันก็รู้ว่ามันก็ไม่มีอะไรน่าดูเลยครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์เชิญท่านต่อไปคุณหาฤทัยนะครับคุณหาฤทัยกดกดอันมิวได้เลยครับได้ยินไหมคะ ได้ยินแล้วได้ยินแล้วคราวที่แล้วคุยกับพระอาจารย์รอบหนึ่งแล้วค่ะพูดดังๆหน่อยพูดดังๆหน่อยค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าให้พิจารณาอตอนนั้นพระอาจารย์บอกว่าให้เวลานั่งสมาธิให้พิจารณาพุทโทแต่บังเอิญตัวเองเนี่ยพิจารณาลมหายใจค่ะก็เลยนั่งพิจารณาลมหายใจไปเรื่อยๆคราวนี้เกิดภาวะว่ า, วา บางทีพอนั่งไปพอเริ่มนั่งสักพักหนึ่งพิจารณาลมหายใจไปเนะะี่ยค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนะะี่ยค่ะปรากฏว่ามันรู่งเข้าไปมันเหมือนกับมันตกผวังหรือยังไงนะคะพอเช็คเวลาดูบางทีมันไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วะคะ่ะแล้วก็พอมีสติขึ้นมามืนกับรู้สึกตัวขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็จะพิจารณา ลมหายใจต่อแต่ว่ามันจะสดชื่นนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะคือภาวะที่แปลกแปกมาคือเป็นภาวะที่หลับมั้ถ้ามันถ้ามันเหมืนมันหลับถ้ามันไม่มันไม่มีสติมันก็เรียกว่าหลับาวังหลับไม่ใช่ผวางสมาธิมันต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลาเวลามันตกผวังก็รู้ตัวว่ามันตกผวังแต่ไม่หายไปไม่รู้ก็แสดงว่าหลับ แสดงว่าเราจะต้องทํำยังไงถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องต้องฝึกสติให้มากขึ้นให้สติมีกําลังมากขึ้นก่อนจะมานั่งก็พยายามพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆบ่อยๆ<ฆ>แล้วเวลานั่งสติมันจะได้มีกําลังพอที่จะทําให้มันไ ม, ม, นไม่มันไม่หายไปถ้ายัางถ้ามันนั่งแล้วหลับก็ลุกขึ้นมาเดินแทนก็ได้ลุกขึ้นมาเดินจกงกรมแทนอืม แสดงว่าสติเราหมดกําลังพอหมดมันก็เลยหลับก็ยังงงว่าเอ็มเมื่อก่อนมันไม่เป็นค่ะแต่เดี๋ยวเนี้ยทําไมมันเป็นเป็นมาสักสามสี่วันแล้วค่ะก็เลยเอ็มก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นนันทิจังมันแก้ไขได้มันเป็นก็แก้ไขได้เราไปนั่งนไปนั่งที่มันน่ากลัวดูหนังแล้วมันจะไม่หลับตอมันคิดถึงผีคิดถึงอะไรขึ้นมามันจะไม่หลับมันจะเตือน S <S> <S แต่บางทีคนที่หลับเก่งๆนี่เขาต้องไปนั่งที่มันที่ป่าช้าหรือไปนั่งที่เมนนี่แต่ถ้ายังแต่ถ้ายังไม่กล้าก็ยังไม่ต้องไปก็ลุกขึ้นมาเดินแทนก็แล้วกันถ้านั่งแล้วหลับ ก, ก็ลุกขึ้นมาเดินแทนก่อนค่ะแต่เวลาเดี๋ยวเนี้ยตอนกลางวันนะคะ่ะเวลาเราทาําภารกิจประจําวันนะ รู้สึกว่า ส, สติเนี่ยจะดีขึ้นค่ะ mm hmm. ก็คือเวลาเดินเวลานั่งเราจะรู้ว่าเราทําอะไรอยู่แล้วก็รู้รู้ตัวทาไปทําให้มันมากมากให้มีสติอยู่กับตัวให้มากที่สุดนะแล้วใจจะเบาใจจะสบายแล้วเวลานั่งสมาธิอาจจะไม่หลับต่อไปนะสาธุ <laughs> เนะจะลองทำค่ะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็ลองเดินจงกรมก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยนั่งเออก็ได้เดินจงกรมก่อนโอเคค่ะมีอะไรไหมเออทีนี้ตอนกลางวันอะคะ่ะบางทีมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะนั่งนั่งอยู่แล้วก็พอดีบีบครีมม แ, แล้วปรากฏว่ารู้สึกว่าครีมมันหมดเลยรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตเราเนี่ยค่ะ มันก็คงเหมือนครีมเนี่ยค่ะก็คือมันมีอยู่แล้วจากนั้นมันเราก็ใช้ไปเรื่อยๆก็เหมือนครีมใช่ไหมคะจนกระทั่งสุดท้ายมันก็หมดเราก็ไม่มีเหมือนกันก็เลยคิดว่าอย่างนี้มันน่าจะเป็นเ อ, อ่อมันเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเราถึงเราได้คิดได้อย่างนั้นนะคะเออเห็นอนิจจงเนี่ยเห็นว่ามีเกิดมีดับเดี๋ยวก็ต้องมีหมดร่างกายเราก็เป็นเหมือนครีมที่เราใช้นะ เนี่ยนอยมันก็หมดแรงหมดลมพอหมดแรงหมดลมมันก็ไม่หายใจมันก็ตายก็พิจารณาแต่มันไม่ใช่ตัวเรา <c oughs> ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกลัวมันไม่ใช่เรามันเป็นคนรับใช้เราเรามันมาใช้ทําอะไรต่างๆเราเป็นนายใจเป็นนายกายเป็นบา่าวผู้รู้ผูค้คิดนี้เป็นเจ้านายของร่างกายไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ต้องกลัวนะพอใจไหมค่ะใจค่ะก็ ค, คือมันเคยได้ยินมาว่ามันร่างกายเราเนี้ยก็เป็นของชั่วคราวเ อ, อเพราะฉะนั้นมันชั่วคราวต<ฮ>่อไปก็มีแล้อแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ต้องกลัวค่ะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้คิด อย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดไม่คือมันก็ไม่ดับใช่ไหมคะได้มันเป็นแต่ไปเอาร่างกายมาเกิดมาดับเท่านั <c oughs> ้นเองค่ะก็ต้องพิจารณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเขา้าใจที่ใจของเราอีกออปล่อยวางจนกว่าเราจะปล่อยวางร่างกายได้ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวแก่อม ก็คงอีกสักพักทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนะโอเคนะอท่านต่อไปครับด้วยคุณคุณสวรรธทองครับคุณสวรรธทองกดกดอันมิ้วได้เลยครับพูดได้เลยครับคุณสวรรธทองครับผมเอาเอาจอขึ้นไปอีกฮะครับออยู่กระสินครับผมตอนนี้กําลังจะเตรียมตัวที่จะบวช ตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวที่จะบวชครับพระอาจารย์ดีดีจะบวชเมื่ อ, อไหร่นะกัตอนกับว่าให้ลูกเรียนจบก่อนครับอีกประมาณสักสามปีครับผมโอที่ว่าจะบวชวันสองวันนี้เหมือนเตรียมตัวจะบวชอะไรนะอีกต้องสามปีครับผมเดียอย่างนั้อยเขามีเป้าหมายไว้ก็ยังดีนะตอนนี้ก็หัดบวชก่อน บวชในใจไปก่อนนะรักษาสติสมาธิไปฝึกสติฝึกสมาธิไปแล้วก็ถือศีลเท่าที่เราจะถือศีลได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ถือไปก่อนหัดบวช ไ, ไปก่อนบวชนะเวลาบวชจะได้สบา ย, ยางเี้เวลาไม่เตรียมตัวไม่ซ้อมไว้ก่อนเวลาไปบวชแล้วมันจะยากเหมือนนักมวยอะ่ะก่อนจะขึ้นเวทีก็ซ้อมก่อนซ้อมชกก่อน โชคกระสอบทรายโชคกับคู่ซ้อมก่อนเวลาขึ้นไปเวทีมันจะได้ไม่ตื่นเวทีมันจะได้ไม่ถูกเขานอกขนาดนี้อนอา<ม>บางคนไม่เตรียมตัวเลยไปบวช ด, ด้ไนใกี่วันก็อยากจะศึกแล้วสู้กิเลสไม่ได้นะงั้นต้องพยายามบวชตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้บวช<ม>คือรักษาสีนสีลแปดโดยเฉพาะสีนแปดเนี่ยพยายามรักษาสีลแปดให้ได้ แล้วก็หัดนั่งสมาธิหัดฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆก่อนเรามีเวลาเยอะแยะเนี่ยมีเวลาทั้งสามปีไว้เตรียมตัวอย่าปล่อยให้เวลานี้ผ่านไปโดยไม่ได้เตรียมเตรียมเตรียมอะไรไว้เลยระหว่างที่เรารอเวลาเราก็เตรียมตัวบวชไปภายในใจก่อนรักษาศีลไปภายในใจก่อนอสมาธิภายในใจก่อน มีอะไรอยากจะถามไมไม่มีนะม ไ, มไม่มีกักนเน่นหนึ่งก็พูดก่อนนะส า, สาธุครับน้มกาผ้าจา์ครับอ่าคุณคุณสุพิราดาอยู่ไหมครับคุณสุพิราดาหรือคุณคุณและคุณปุ้มนะฮะคุณสลินทอนจะพูดอะไรไหมครับ ค่ะสวัสดีพระอาจารย์ค่ะน้สวัสดีจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็อยู่ที่ไหนนะโยมอยู่ที่อเมริกาค่ะที่นันแรมนะคะพระอาจารย์โอเคได้อาจาเวลาอยากพูดอยากจะถามในวันนี้พระอาจารย์ค่ะโยมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยก้านะค่ะพระอาจารย์โยมก็พยายามตรงโลไม่ได้สร้างภายในวันเดียวนะโยมรู้สึกว่าโยมได้มีโอกาสได้เจอพระอาจารย์แล้วโยมก็อยากจะเล่งปฏิบัติไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วะค่ะ เขพยน์แต่แต่อย่าไปรออย่าไปคาดผลอย่าไปหวังผลมากจนเกินไปการนั่ง <พา S 1> หลับค่นะโยมก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆทุกวันชวเช้าเย็นชวเช้าเย็นนะคะพระอาจารย์แล้วก็กำหนดอาการ32ดูดูธาตุสี่ขันห้าแล้วก็นั่งสมาธิมันก็แยกเป็นชันช้นๆนะคะพระอาจารย์สมมุติว่าเวทนาก็เป็นชั้นเวทนาอ่ เห็นความร้อนความอะไรมันก็เป็นชั้นๆไปหมดแล้วก็ความคิดก็เป็นส่วนของความคิดแล้วก็ใจมันก็อยู่ที่ฐานของเขาแล้วบางทีตื่นนอนขึ้นมาเขาก็จับของเขาของเขาเองเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะจับอยู่ที่สมมติโยมตื่นขึ้นมามันก็จะจับอยู่ที่ฐานที่จมูกแต่ตอนนี้มันก็เลื่อนลงมาจับจับที่ท้องจับที่กลางตัวเป็นของเขาเองแล้วอย่างเวลาที่โยมปฏิบัติค่ ะ, คะพระอาจารย์ เวลาที่มันเริ่มจะนิ่งยมก็เริ่มคิดปุุงสร้างอีกแล้วในสมาธิเริ่มคิดว่าเดี๋ยวมีเรื่องโน้เรื่องนี้ให้คิดไปเรื่อยๆ แ, แล้วเราก็พยายามกาหนดในขณะเดียวกันยมก็เริ่มรู้สึกหุดหงิดกับตัวเองอะ่ะพระอาจารย์ว่าทไมเป็นอย่างนี้อีกแล้วทำไมไม่รู้สึกไม่รู้จักสดีกพโธเวลามันเวลามันเริ่มคิดก็ต้องใช้พุทโธแล้วดูลงหายจ แล้วบางทีพอมันเริ่มจะนิ่งยมก็ดึงพุดโธรกลับมาเพราะว่ายมรู้สึกว่ายมยังไม่นิ่งขออย่างใจยังคิดอยู่เราก็ดึงพุดโทกลับมาอพุดโธไปจนกว่ามันจะนิ่งนิ่งแล <ภา S 2> <ร>้ก็หยพูดโทได้แล้วยมก็นั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวทนามันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาเราไม่สนใจเวทนา บ, บางทีเขาก็ดักไปบางทีเราก็นั่งต่อไปเรื่อยๆแต่โยมก็รู้สึกว่า เอ๊ะหรือว่ายองต้องการจะมาส่งกันบ้านพระอาจารย์ก็เลยเหมือนกันเล่งว่าวันนี้เราต้องมีอะไรใหม่ๆแต่มันไม่มีอะค่ะพระอาจารยนอ๋อมไม่มต้อ ง, องหรอไม่ส่งการบ้านทํำมาเรื่อยๆอย่าให้อย่าไปกดดันตัวเองนะทําทไปตามกําลังของเราได้มากได้น้อยมันเป็นของบังคับกันไม่ได้เราบังคับได้ที่การการการกระทําของเราพยายามทําให้มาก แต่มันจะได้มากได้น้อยนี่มันเป็นเรื่องของของหมัดค่ะลัวไม่ต้องคังึลเดี๋ยวว่าเรื่องรายงานส่งผลให้อาจารย์อาจารย์ไม่ได้มาทวงการบ้านยมเสียดายค่ะพระอาจารย์ยมเสียดายว่ายมได้เจอพระอาจารย์แล้วยมน่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะอ๋อก็ทำไป้วแล้วกันถ้าเราทำก็ถือว่าดีแล้วล่ะค่ะทำให้มันมากขึ้นสิคปทชํชาเย<ม>็น เพิ่มกลางวันอีกรอบหนึ่งอะไรกำนองกลางวันต้องกลางวันต้องทำงานรอาจารย์ยังยังยังต้องทำาให้มันเช้าเย็นก็ทำให้มันมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ทำเครื่องชั่วโมงก็เพิ่มเป็นชั่วโมงดูอะไรทำทำเป็นชั่วโมงค่ะพระอาจารย์เช้าก็ชั่วโมงเย็นก็สองชั่วโมงค่ะพระอาจารย์เราทำทุกวันเราก็ต้องยอมรับว่าเราทำได้เท่านี้ไปก่อนค่ะแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์ ว่าค่ะว่าถ้าวันไหนที่จิตสงบวันไหนไม่มีอะไรมากวนใจมันก็จะมันก็จะลงง่ายแต่ถ้าวันไหนที่มีอะไรกวนใจมันก็จะเริ่มมีเรื่องคิดมากเดี๋ยวมันก็ฟุ้งเดี๋ยวมันก็ไปเรายอมก็รู้สึกว่ามันจิตนี้มันช่างดูยากเหลือเกินมันช่างละเอียดอ่อนแล้วก็ถ้าเรานําทางมันไปในนิดเดียวผิดไปนิดเดียวมันก็ไปในทางที่ผิดแล้ว ก็รู้สึกว่าโอ้โหยมได้เจอพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ช่วยชี้นําทางที่ถูกแล้วมันน่าจะไปได้ดีกว่านี้อใช่ใช้พุโทโธนำทางนอนฝ่าความคิดน<ช>ะแต่ปล่อยให้ความคิดมันคิดเองเราใช้พุโทโธพุธโทโธควบคุมมันไว้นะค่ะแล้วอย่างที่เวลาที่ถ้ายมนั่งลงไปแล้วเหมือนจิตมันนิ่งอะคะ่ะพระอาจารย์แล้วคือสมมุติว่าเราตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนกับเขาไปจับอยู่ที่ฐานของ ตัวของเราเองโดยที่เรามันเราไม่ได้คิดอะไรนะคะพระอาจารย์แต่มันว่ามันเป็นความกระเพื่อมที่อยู่ในตัวของเราแล้วตัวตัวเราก็ไปจับความรู้ตรงนั้นได้ประมาณสักห้านาทีสิบนาทีแต่ว่าในระหว่างที่เราจับความรู้ตรงนั้นเนี่ยเหมือนจิตเราตื่นแล้วเราก็จะเริ่มฟรุงละพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็เริ่มฟรุงละแต่ก่อนที่มันจะฟรุงเนี่ยเรารู้ว่าเราจับอยู่ที่ฐานเราแต่เขาทําของเขาเองอันนี้เนี่ยปล่อยเขาไปเรื่อยๆไหมคะพระอาจารย์ ถ้ามันไม่คงก็ปล่อยไปได้ถ้ามันฟุงก็ต้องเริ่มพูดโทรแล้วต้องหยุดครับเริ่มเริ่มพูดโทต่อใช่ไหมคะอ่าพูดโ ท, ะะดโทไปเรื่อยๆก็คุงคามคิดถ้ามันไม่คิดฟุ้งซ่านสามารถดําเนินอะไรเป็นปกติได้ก็ไม่ต้องพูดโท็ ไ, ได้ค่ะแล้วอย่างสมมุติว่าอย่างยงทํางานอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วความรู้สึกตรงเนี้ยมันมันรู้ไปหมดทั้งตัวไม่ว่าเราจะให้มันไปอยู่ที่ฐานตัวหรือว่าฐานเวทานามันก็มันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราบอกว่าให้เขา อย่างนี้ควรจะอยู่กับคนจะอยู่กับหน้าที่เราทําดีกว่าอย่าปล่อยมันไปแล้วถ้ามันขึ้นมาเองเราก็ไม่ต้องสนใจอย่างไนะคะไม่ต้องไม่ต้องปกำหนดไม่ต้องไปกำหนดอยู่กับอยู่กับร่างกายอยู่กับหน้าที่ร่างกายกำลังทําแล้วจริงไหมคะพระอาจารย์ที่เราต้องพิจารณาฐานกายก่อนถึงจะมาเวทนาถึงจะมาจิตแล้วถ้ามันแวะเข้ามาันี้มันอนี้มันเป็นแบบเป็นแบบขั้นตอนของการปฏิบัติแต่เวลาเหตุการณ์จริงอะไรมาก่อนก็เอามันก่อน เอาเวทมาก่อนก็อันไหมาก็เอาตัวนั้นก่อนค่ะแล้วยังสวดเราจะต้องผ่านกายไปก่อนแล้วถึงจะไปเจวิธานาแล้วก็จะไปเจอคอย่างนี้ถ้าเกิดตัวไหนที่มันแวบเข้ามาเราจับแล้วเราก็กลับมาที่ฐานกายเหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์คือคือพยายามทําให้มันนิ่งอยู่ตรงไหนมันนิ่งก็อยู่ตรงนั้นถ้าอยู่ที่ร่างกายแล้วมันนิ่งก็อยู่ที่ร่างกายก็ได้ค่ะ พยายามรักษาความนิ่งของใจตลอดเวลาใช่ค่ะอาจารย์อย่าให้มันฟุ้งอย่ายให้มันปูแตกอย่ายให้มันโลบมันอยากขึ้นมาค่ะเพราะโยมก็รู้สึกว่ายอมนิ่งขึ้นแต่ว่ามันนิ่งขึ้นก็จริงแต่ว่าช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมีอะไรมากระทบนิดหน่อยมันก็หดหดหดหดมา ก, มา ก, มากง่ายขึ้นกว่าปกติอะค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่า <ๆ S 2> เราไม่ได้ไปโวยวายแต่เรารู้สึกว่าเราหดหดเหมือนมีอะไรนิดหน่อยเข้ามาเราก็จะ เราก็จะ เ, เริ่กเพราะใจเราอยากเพราใจเราอยากอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยหยุดไม่น่าทําใจให้มันเป็นสันโดษยินดีตามมีตามเกิดค่ะเพรายอมรู้สึกก็มันยากอะค่ะพระอาจารย์ที่จะเอาสติมากนดมันยากมากเลยครับอาจารย์ก็นั่งหลับต้องพยายามท่ อ, องพุดโธรไปถ้านงุนงงก็ท่องพูดโธพูดโธรไปเดี๋ยวก็หายหยุด ก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ถู้ตสตินี่สําคัญตอนนี้พยายามเน้นตัวสติให้มากที่สุดค่ะอาจารย์ตัวพุโทโธพุโทโธเนี่ยดีที่สุด <S <S ใช่ค่ะดีก็ไปตั้งอยู่ที่ฐานตรงนูฐานตรงนี้เพราะเดี๋ยวมันมันหยุดความคิดไม่ได้พอมัน <S <S 2> <S 2> เริ่มคิดก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธอยูมันดีกว่าค่ะอืมนะโอเคคุณท่าท่าเ็นออยู่คุณท่าท่าอย่างกุ้ คุณน่าทาเปิดได้ไหมครับไมค์ปุ่มเปิดแล้วเปิดแล้วไทยกปิดกดอยู่แล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงเราเอน่าอย่างไม่ไม่ไม่ไม่มีไมค์เลยครับอาจารย์ต้องเขาสังเกตที่ทางซ้ายมือนะฮะแล้วดูไปข้างล่างนะฮะจะเห็นจะเห็นรูปไมค์นะฮะเห็นไหมฮะเป็นรูปรูปเหมือนไมโครโฟนพูดนะฮะไม่เห็น แสดงว่ามันไม่เครื่องไม่มีไมโครโฟนหรือเวลามันม ไ, มไม่แน่ใจวเวลามันโกกปรแกรมถามว่าให้อนุ ญ, ญาตใช้ไมโครโฟนได้หรือเปล่าคงค ง, งตัดออกต้องอย่างนั้นต้องต้องออกมาแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะฮะเพื่อเพื่อจะเพื่อจะเอาไมโครโฟนกลับมาเวลามันถามว่าขออนุญาตใช้ไมโครโฟนแล้วต้องบอกอัลล่าวอันนี้เราไม่อัลล่ามันมันก็ไมโครโฟนเลยไม่ทํางาน อันเดี๋ยวเดครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนต่อไปก่อนนะฮะคุณคุณแทนนะฮะคุณแทนคุณแทนจากเชียงใหม่มีอะไรจะพูดไหมฮะคุณแทนจากเชียงใหม่มีอะไรจะพูดไหมฮะเชียงใหม่ไม่เปิดจ้องไม่เพิ่งปิดเมื่อกีอ้นี้ครับนว้ะคุณเบนจวรรณเป็นยังไงอยู่ชนบุรีใช่ไหมเบนจรวรรณใช่ค่ะพรอาจารย์สบายไงสบายดีเหรอสบายดีค่ะที่นี้หนู ป้ายหน่อยนะใช่ค่ะอาจารย์ <c oughs> อหนูจะกราบถามพระอาจารย์เรื่องหนที่เห็นอัตราตัวเองอะค่ะพระอาจารย์ว่ามันเยอะมากเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นหนูอยากทราบว่าถ้าเราจะหาวิธีในการลดอัดตราตัวเราอะค่ะ <c oughs> ว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนคนนู้นคนนี้นเราจะลบลดอัดตราของตัวเองยังไงคะเราต้องสมมติตัวเราว่าเราเป็นแจวเลยอย่าไปคิดว่าเราเป็นนุ่นเป็นนี้ พระพุทธเจ้าบอกให้เราคิดว่าเราเป็นภ้าขี้ริ้วเป็นปะฏภีเป็นแผ่นดินใครอยากจะเหยียบจะย่ำใครอยากจะทําอะไรกับแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนมีทางทำใจเราให้มันเป็นเหมือนแผ่นดินให้เป็นสิ่งที่ต่ําที่สุดสมมุติทุกอย่างมันเป็นสมมุติอ่ะเราแต่งตั้งเราเป็นหัวหน้าเป็นนู่นเป็นนี่มันก็เป็นสมมติเหมือนกันแล้วเราไปหลงสมมุติว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา เราต้องมาแก้สมมุติด้วยสมมุติคือเปลี่ยนจากคิดว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าเปลี่ยนมาคิดว่าเราก็เป็นเหมือนแจวเป็นคนรับใช้เป็นผ้าขี้ริ้วใครอยากจะอใช้ภ้าขี้ริ้วเอาไปเช็ดอะไรก็ได้ใช่ไหมใครจะด่าเราใครจะใช้เราทําอะไรได้เท่านั้นเข้าใจไหมเปลี่ยนสมมุติใหม่อย่าไปอย่าไปหลงสมมุติที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ แต่ทีนี้พอหลวงแล้วมันมันจะโมโหนิดนึงไงแล้วค่ะอาจารย์โมโหเมอเราอยากให้เขาเราเขาเคารพเราไหมอยากจะให้เขานับถือเรายกย่องเราพอเขาไม่เคารพเขาไม่ยกย่องเขาดูถูกเราเราก็โกรธใช่ไหมั่นเราต้องอย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปหวังให้คนอื่นเขานับถือเรายกย่องเราเคารพเราสันรเสริญเรา เราคิดว่าเราเป็นคนรับใช้ไม่มีใครก็สนใจเราหรอกอย่างนี้ดีกว่าเออค่ะหนูจะรอดูจ้ะค่ะเราคิดดูเวลาเรากำลังเจอใครล้วบอกให้เราเป็นคนรับใช้ก็นัเราไม่ใช่เป็นหัวหน้าของเออค่ะอาจารย์เรคอยฟังคอยรับคําสั่งจากเขาเอค่ะเขาพูดอะไรก็ว่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะเวลาหนูเจอผ้าอย่างเงี้ยหนูต้องจับข่ะเจ้าข่า พยายามมองทุกคนว่าเป็นเขาเป็นเหมือนพระก็แล้วกันเราเป็นโยมเราก็น้องเจ้าข้าเจ้าข้าหรือเวลาเราเจอพระเจ้าแผ่นดินนราจะทาตัวยังไงใช่ไหมคิดว่าทุกคนเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็แล้วกันเราเป็นข้าข้าลาดบริพานแล้วเราจะสบายใจพราะเราจะไม่หวังอะไรจากใครได้สบายใจโอเคคุณตาท่าเมื่อกี้เข้ามาหายไปแล้วเห ครับยังยังยังยังเปิดใหม่ไม่ได้เลยครับใช่ครับครับขากำลพยายามอยู่นะฮะครับอยู่ที่เครื่องท่าเมื่อกี้ใครอยากจะพูดต่อเชิญเลยคุณคุณแทนคุณแทนจะพูดไหมครับแทนเชียงใหม่ปัดไม้ก่อนอยู่ซ้ายมือสีแดงข้างล่างซ้ายมือสีแดงผมผมบอกให้เขาอ่านมีลแล้ะแต่ผมไม่ได้อัดนอ่นลอง ถ่าท่ารับทาท่าก็มากันอ่าคุณแทนพูดได้เลยครับอำไรอยู่เลยเห็นเดินรอบบ้านเลยครับนมสการนะพระอาจารย์ครับอไปยังไงเวลาจะพูดไหมไม่มีอะไรครับพระอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่เหรอครับอยู่ลบบุรีครับพระอาจารย์ลบบุรีเป็น ติทานครับติตทาเนเกนครับอ่าได้อันนี้เข้าเวียนหรือเปล่าไม่ได้เข้าครับพระอาจารย์อ่าอันนี้ต้องอดเดิรับปุยแล้วเกนเข้ามากี่เดือนนั่น่ ะ, ะอีกว่าแล้วครับพระอาจารย์อีกว่าแล้วก็ใกล้จะจบแล้วสิครับเดี๋ยวตุลาสามสิบเอ็ดตุลานี้ปลดแล้วครับอ่า จะอยู่ต่อไหมไม่ต่อแล้วครับไม่ต่อแล้วเราจะไปทำอะไรต่อล่ะก็เดี๋ยวไปช่วยงานพ่อที่ที่บ้านช่วยงานที่บ้านนะเอดีรับใช้พ่อแม่เป็นได้กุญยเยอะนะรับใช้คุณพ่อคุณแม่นะอดีอต่อไปใครอยากพูดคุณคุตาตาครับเปิดได้เลยฮะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวจะเปิดทำไมให้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไม้ให้ตาตาเลยครับ กดอันมิวเลยฮะกดคำว่าอันมิว U N กดที่ปุ่มแดงก็ได้ปุ่มสีแดงซ้ายมือล่างซ้ายมือมีสีแดงอยู่กดปั๊บมันก็จะเป็นสีขาวขึ้นคุณตาต้าจะเห็นตรงกลางหน้าจอฮ ะ, ะตอนนี้ตอนนี้ปุ่มทางขวาที่เขียนคำว่า U N M U T E นะฮะาหายไปแล้วคุณตาตา เ, ดเดี๋ยวผมนะผมผมผมกำลังให้เขาเปิดอยู่นะอะงนั้นเดี๋ยวคุณคุณออดดี้จะพูดหน่อยนะฮะ เชิญคุณรอพีน้ำประการอีกรอบนึงค่ะผูอาวุย์อยากถามคำถามพอดีนั่งฟังแล้วคิดไปพอดีช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะเหมือนไปขอโทษขออโหสิกรรมกับพี่พา้าพี่ป้านาอาลุงป้านาอาของตัวเองอ่ะเหมือนว่าว่าเหมือนเมื่อตอนเด็กๆ เ, เราอาจจะซนอาจจะดื้อทำอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีอะไรอย่างเงี้ย หนูอยากจะไปกล่าวคําขอขอขอโทษหรือไม่ใช่ขอโทษขออโหสิกรรมขอขมาอย่างนี้นะค่ะต้องต้องรอจังหวะก่อนนี่ไม่ต้องไปแบบแบบไม่มีปีไม่คุยอะไรเราเวลาเจอกันแล้วค่อยบอกกันก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนอไม่ไม่ทุกคนอยู่คนคนละที่หมดเลยไม่มีใครอยู่ก็โทรไปคุยกับเขาก็ได้บอกว่านี่คิดถึงแล้วก็สวัสดี อยากจะมาขอขอมาว่าในอดีตเคยทำอะไรไม่ดีมาก็ขอขอไค่แต่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทเราจังหวัดที่ดีแล้วก็คิดว่าวัดเป็นบ้าหอยู่ดีอยูดด่ดีมันก็มาขอ ข, อขอมาลาโทษหนูจากเมื่อก่อนเนี้ยมีเพื่อนเยอะนะคะตั้งแต่เข้ามาศึกษาธรรมะหนูหนูเพื่อนก็หนูทิ้งเพื่อนอะ่ะหนูทิ้ง เ, เพื่อน ทิ้งเริ่มทิ้งครอบครัวเริ่มทิ้งทุกคนแบบชอบแบบสันโดรอะค่ะชอบแบบ uh huh. ให้เงีบเยบงชอบแบบนี้มากกว่ามัน uh huh. ถูกจริตเรามากกว่าค่ะจนตอนนี้ไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนหายหมดเลยคือ uh huh. เราไม่ติดต่อเขาเองนะคะไม่ใช่เขาไม่ติดต่อเรานะแต่เราหไม่ติดต่อเขาเองแต่รู้สึกว่า oh oh. รู้สึกว่าดีอะค่ะเพราะ uh huh. ว่าน้อยคนก็น้อยปัญหาคือคิดแบบนีน้น้อยคนก็คือน้อยปัญหา uh huh. แต่ญติพี่น้องเนี่ยคือมัอนเหมือนเรายังต้อง เป็นญาติพี่น้องกันก็เลยแค่อยากอยากอโหสิกรรมให้กันอย่างเงี้ยคะ่ะเพราเมือมอม่อก่อนเราเคยโกรธเขาเคยรู้สึกไม่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ไม่อยากมีกรรมต่อกันอย่างงี้อย่างเงี้ยแร้วค่ะอไม่จําเป็นจะต้องไปขออาโหสิกรรมของเขาหรอเราเนะี่ยแหละอยาไปทำอะไรเขาก็แล้วกัต น, ต, นต่อไปนี้นั้นเองส่วนไปขออาโหสิกรรมบางทีก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่อบางทีก็ เขาอย่างโกรธเราอยู่เขาก็จะไม่ให้อภัยเราอยู่ก็ช่วยไม่ได้ค่ะไม่ไม่มีใครโกรธหรอกเป็นหนูแค่รู้สึกว่าอยากอบุฤติกรรมเผื่อชาติหน้าเราจะได้ไม่ต้องมาจองเวรอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดเอาเองอย่างเงี้ยก็ก็ถ้ามันมีโอกาสเจอกันก็ขอขอขอโทษได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องไปหาคนนู้คนนี้เพื่อไปทำเอาพฤติกรรมด้วย อ๋อค่ะโอเคค่ะได้ค่ะงั้นอ้อสําคัญคือเราอย่าไปทําอะไรกับเขาอีกก็แล้วกันทําไม่ทําแล้วค่ะคุณผู้ไม่ทําแล้วโอเคเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาธรรมะถามว่าดีไหมชอบค่ะชอบอแบบแบบเนี้ยสันโดษมันคือความที่เราชอบถูกต้องความสงบนี่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าบอกนัตถิสันติปรังสุขค่ะ เทือดเหนือกว่าความสงบไม่มีค่ะนั่นนะคําที่หลวงพ่อสอนธรรมาทุกครั้งเวลาไปฟังที่ที่ที่วัดยานนะคะ่ะธรรมะคนดีเรา <ấy> ขอบคุณนะคะอาจารย์เดี๋ยววันนี้หนูอยากผอนน ม, มัสการลาด้วยเลยเลยนะคะพะดอะดีเดี๋ยวเราอาจจะนั่งกันเกือบสองชั่วโมงเล้หนึ่งชั่วโมงสี่สิบ้านาทีแล้วถทาท<อ>่ามา<อ>แล้วฮะถาทาเข้ามาได้ละมา่ะกิน อาจารย์พูดได้เลยคุณท่าท่านามส ก, การเจ้าค่ะอาว่ามาอยู่ที่ไหนอยู่ดอนเจ้าค่ะเอาดอนอะไรจะถามไหมอา่ารอบก่อนมีโอกาสได้เข้ามาไล้ได้ถามพาอาจารย์คือนั่งแล้วมันหายไปก็สรุปว่าหลับแล้วรอบนี้วันได้ไปวัดไปวัดไปใหม่อีกรอบนึงก็ ไปดูใหม่ค่ะเจ้าค่ะไปนั่งแล้วก็ทีนี้รอบนี้ไม่หลับรอบนี้เห็นเห็นความฟุ้งมาก่อนเลยเจ้าค่ะเห็นปุ้งแล้วก็แล้วก็มันจะหลับแต่ก็รู้ทันมันแล้วทีนี้พระอาจารย์บอกให้หนูเดินจงกรมเยอะๆหนูก็ไปเดินจงกรมมันมันมันเห็นช่วงเดินจงกรมเจ้าค่ะมันร้อนมันเหนื่อยมันหิวมันปวดเวทนาอะไรเยอะแยะมันมันลุมๆมาแล้วสุดท้ายมันก็มันมีสติมาแล้วมันรู้สึกว่า มันวางไปหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็รู้สึกอนึกถึงคำครูบาอาจารย์ที่เคยชอบพูดฟังเรื่อยๆว่าสติคือเพื่อนแท้คือเพื่อนสองอะไรอย่างเงี้ยคือมันจ้างสว่างแก่ใจเลยเจ้าค่ะเออคือมันแสดงธรรมหรือมันยังไงเจ้าคะนั่นแหละแสดงว่าสติเรากําลังแสดงผลให้เรา<อ>เรอเราก็มีสติแล้วเราเราิ่มเห็นคุณค่าของสติว่ามัน<ช>ทําให้เราสบาย ทำให้ใจเราเย็นมันไม่เอาอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมคะมันไม่เอาอะไรสักอย่างพยายามรักษาสติให้ดีพยายามรักษามันตลอดเวลานะเจค่ะตอนปฏิบัตินี้ก็พยายามจะเห็นตัวนี้เรื่อยๆพยายามนะนะเจ้าค่ะแต่มันจะมีตัวไม่ชัดครับตัวที่ไม่ชัดนี่คือกําลังสติเราอ่อนใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่เราจะรู้ตัวตลอดเวลานั่งภาวนาก็จะรู้ตัวนู่นนี่นั่นแล้วมันจะมีแบบ ไม่ชัดเลยเจ้าค่ะแล้วจะจะมีชัดก็มีเห็นมันจะแตกต่างระเราชัดกับไม่ชัดนี่คือสติเราอ่อนกับมีสติ ช, ชัดใช่ใช่สติแข็งกับสติอ่อนมันก็จะทําให้เราเห็นชัดไม่ชัดอ๋อเจ้าค่ะแต่ถ้ามันชัดนี่มันก็คือแบบสว่างแจ๋วเลยอ่แสดงสติเราดีเจ้าค่ะแต่มันก็น้อยก็พยายามแต่ว่ามันก็จะมีความมั ว, มวแต่ส่วนมากจะเห็นฟุ้งเยอะมากเลยเจ้าค่ะ ก็ใช้สติสู้มันไปใช้สติพุทโธพุทโธไปเจ้าค่ะก็มีตอนนั่งเวทนามาเจ้าค่ะเวทนามาแล้วทีนี้ก็ดูก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่ากายต่างหากเวทนาต่างหาแล้วก็จิตเราตัาหาเจ้าค่ะแต่รอบนี้ก็นั่งมองมันไปแล้วก็นั่งดูมันไปแล้วมันมันมันมันอยู่ดีมันก็พูดกับเองว่ามันน่าเบื่อน้อยตัวนี้ แค่นั้นน่าะขาดแต่ไม่รู้เราคิดไปเองหรือว่ามันมันมันอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่ได้รู้ว่ามันมันไม่ได้เป็นเราเจ้าค่ะแต่ว่ามันน่าเบื่อจังไอตัวนี้ยไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้กับมันนะคะออย่าไปอยากให้มันหายไม่ไม่ได้อยากให้หายแต่มันดูแบบโอ้ยมันน่าเบื่อจังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่บอกมันอยากจะอยู่ก็อยู่ไปเเจ้าค่ะใช่แต่จะดูแบบเซ็งๆดูแบบเออก็ดูมันไปอย่างเงี้ยน่าจ้าขาดแต่ก็แบบมันบอกว่ามันน่าเบื่อเนาะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ น่าเบื่อก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากให้มันหายก็กแล้วกันแต่ก็ต้องดูมันไปเรื่อยใช่ไหมเจ้าคะเลิกกลับมาที่พุทโธไมได้ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องสนใจก็ได้ ใ, ไดใช่ไหมเจ้าคะกลับมาที่พุทโธแล้วกลับมาที่ลมหายใจก็ได้แล้วใจจะเบาใจจะปล่อยวางได้นะะถ้าเบื่อแสดงว่ามันยังอยากยังอยากมันยังอยากให้มันหายไปอยูอ่ยังอยากอยู่ใช่ไหมเจ้าอามันึงเบือ่อ งั้นกลับมาที่พุทธดีป่ะนะ<ก>อยกไปเประมาณเจ้าค่ะก็มีสภาวะหนึ่งง่วงเจ้าค่ะอันนี้อันนี้เจอมานานแล้วแหละง่วงก็ก็ดูพี่นาความง่วงไปพี่นาไปพี่นาไปมันมันก็บอกตัวเองมทรมานเนาะทรมานจังเลยมันทุกข์จังเลยทําไมมันทนุกข์อย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกตัวเองว่าก็วางสิมันก็วางไปเลยเจ้าค่ะ มันก็สบายแล้วสติมันก็มาจ้า อ, อเลยเจ้าค่ะอะนะันบอกของมันเองเจ้าค่ะอ่านั่นแหละผ่อนใจนะมันชัดเจนผ่อนใจใปล่อยวางเห็นชกเป็นชกแล้วต้องปล่อยวางแล้วก็จะหายถูกเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเห็นนี่มันก็เดินทรมานช่วงช้ชาๆเดินจกกมกองทรมานแล้วก็หัวจะโกกเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีสติดูกับความวุ่นวายสุดท้ายมันก็บอก ทุกจําเลยอะไรเงี้ยมันคุยของมันเองจ้าค่ะมันก็บอกว่าวางสีอะไรเงี้ยมันก็วางมันก็สว่างหายง่วงอะไรจ้าค่ะอ่าเนี่ยถูกวางนี่จ้าค่ะถูกแล้วฉันทำน่าจะดงทำหรือมันยังไงคะมันนั่นแหละคือเวลาสติมันมันมันแสดงผลมันก็อย่างเงี้ยมันจะตื่นขึ้นมาทันทีตอนท่งว่าอยากจะนอนหลับอยากจะล้มตั้งยืนพอเราฝืนพุทโธพุทโธไปเลยเดี๋ยวมันก็สว่างขึ้นมาได้ใช่เจ้าค่ะสว่างช่วงนี้ก็ อพอง่วงนี้แล้วมือไหวก็จะมองมองไปเดินเดินไปแล้วก็ก็ดึงกลับมาก็สว่างก้าแล้วถือไปอสติไปก็จะมีมัวมัวมาก็รู้แล้วเริ่ม ง, ง่วงมาเริ่มมัวมัวแล้วก็จะดึงสติมาก็จะต้าก็พอได้จะพากเรื่องง่วง เ, เรื่องอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้สู้กับความฟุ้งเจ้าค่ะสู้กับความฟุ้งใช้พทุพทโธสู้กับมันได้อย่าไปคิดกับมันอย่าไปอย่าไปสู้ด้วยความคิดต้องสู้ด้วยพุทโธออื มันมันพอเราบริกรรมแล้วมันก็จะเริ่มมัวมัวจางๆแล้วก็จะเริ่มรู้แล้วว่าจะฟุ้งมาแล้วแต่ยังไม่ฟุ้งเจ้าค่ะแต่มันจะมัวจางๆเราจะเริ่มรู้อันตอนนี้เราต้องดึงมาให้ไม่สนไม่ต้องกลัวถ้ามีพูดโทแล้วเดี๋ยวมันหายไปเองอ๋อต้องอยู่กับพูดโทอย่างเดียว<ต>ใช่ไหมอยู่กับพูดโธไปอย่างเดียวหรือถ้าอยากจะเปลี่ยนพูดโทมาเป็นสวดมนต์ก็ได้ทีปีโสไปก็ได้แต่บางทีมันก็จะหายมัวแล้วก็ไปเลยมันมันสู้ไม่ไหวจ้ะ <laughs> มันก็จะมัวแล้วก็ฟุ้งแต่บางทีก็สู้ไหวมันก็จะเป็นหลายหมัดเจ้าค่ะแพ้บ้างชนะบ้างถ้าชนผัดกันลับมันเจ้าค่ะรบกันรบกันไว้ก่อนใจยังพอใจยังเมื่ักษะของดงตาเวลาเจอสภาวะอย่างนี้ตรงต่อยกันที่ละหมัดดวงตาต้องกดเงินต้องดันมันต้องดันมันสู้กับมันเแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่าแพ้เยอะกว่าออตอนท่ออยู่เจ้า แต่เวลาเราชนะมาันครั้งหนึ่งให้คุ้มค่าเลยคุ้มค่าไปวัดรอบนี้ชอบฟังเทศหลายๆครูบาอาจารย์หลายองค์แต่คํานี้ชัดเจนเลยคือสติคือเพื่อนแท้มาเลยคือแบบอพอเจอสักวันนั้นคือคําเทศลอยมาแล้วแบบจ้างแก่ใจสว่างแก่ใจเลยเจ้าค่ะแบบ<อ>คุ้มค่ามากคุ้มค่ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นสติแล<ว>้วเห็นคุณค่าแล้เห็นเห็นคุณค่ารู้สติแล้วว่าเป็นเพื่อนแท้ของเรา ชอาอฟัง<ร>ทำจ้ะคะชอฟังแล้วทีนี้กลัวว่าจะเพลงจะเอาไปคิดเวลาปฏิบัติแต่ว่าบอกกับตัวเองว่ามันสว่างกล้ามากมันไม่น่าจะเป็นเพราะความคิดเอาไปฟังแล้วเกิดความคิดมันสว่างแกลดใจก็เลยไม่แน่ใจก็เลยมาถามอาจารย์ด้วยคะ่ะอเวลาปฏิบัติก็อยากคิดอะไรที่ผ่านผ่านมาแล้วก็อยากไปคิดถึงมันค่ะตอนปฏิบัติไม่คิดแต่พอมัน<อ>มันมากระทบเราแล้วลเรารู้สึก สว่างจ้าเลยเลยโอ้คํากูบาอาจารย์พูดมานี่มันเราี่สุดด้วยตัวเองแล้วมันปิติมากเจ้าค่ะสันทิศที่โกงทำของทำของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิศทีโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้ย่อมพิสูจน์ได้ด้วยตนเองย่อมเห็นได้ด้วยตนเองและพระพุทธเจ้ารับผส่งสาวกทั้งหลายเจ้าค่ะเขาโลมน้องๆเป็นพุทธภูชาเดี๋ยวอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอาจารย์สาธุนะยปฏิบัติไปจนวันตายเลยนะอย่าอย่าเลิกอย่ะ สาธุเจ้าค่ะแบางชนะบ้างแต่แต่ยาวเลิกนะจ้าค่ะโอเคพักผ่อนนะเจ้าค่ะอ่าสาธุคุณบอยก็เกือบสองชั่วโมงแล้วรู้สึกช้นจะต้องงงเนาะอบคุณคุณบอยกันรอบที่แล้วไมคุณบอลเจอแต่รอบนี้ไม่เจอไม่รู้ไปกดผิดอะไรรอบที่แล้วกดเจอเลยไหมครโฟนลรอบนี้เข้าออกเข้าออกหลายรอบต้องขอบคุณคุณบอยนะคะอนุโมทนาสาธุบริเจ้าค่ะ อ้าให้คําถามอีก่งสองสามคำถามแล้วก็จะเปิดเห็นเห็นคุณเบลยกมือขึ้นเมื่อกี้เนี่ยฮะคุณเบลจะพูดอะไรไหมฮะคุณเบลตอนนี้เงียบโอเคมีอ่าคุณวิชานะครับคุณวิชาเปิดไมค์ได้เลยฮะก็พอดีเรื่องการทําสติระหว่างวันนะครับคือปกติเนี่ยเออยังยังสมัยก่อนตอนที่ปวดผมใช้พุทโธคือฟังตา ดวงตาของดงบอกว่าจะให้พุทโธตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วพอนนั้นอ่ะจิตรวมเวลาภาวนามันจะรวมแล้วก็มันอยู่กับพุทโธตลอดทุกวันนี้มันก็ยังมันก็ยังอยู่กับพุทโธอยู่แต่ว่าพอมาฝึกสติก็เออกินนั่งเดินเดินอะไรพวกเนี้ยมันเหมือนมันมันเราก็ยังอยู่คือมันมันรู้สึกพุทโธกับลมหายใจยังเรายังติดอยู่ตรงนั้นนะแต่ก็ยังมันก็ยังทําอยู่อันนี้มันคือ ไปด้วยกันได้ไหครับหรือว่าบางคนต้องเลือกอย่างไรดยได้ถ้าจะใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ถ้าเราถนัดอย่างไหนก็ใช้อย่างนั้นไปพูดตัวอย่างเดียวก็พูดตัวอย่างเดียวก็ได้ครับอย่างวันนี้สอนสอนนักศึกษาเนี่ยสอนเสร็จมันรู้สึกว่าเออเรามีสติคือมันมันจะรู้สึกลหายใจปุ๊บแล้วมันจะแตะมันเหมันเหมือนแตกที่ปลายจมูกทันทีเป็นออโต้ออโต้มันตลอดเวลาขับรถก็จะพูดโทแตกลมหายใจีดูลมหายใจตลอดเลยพอไป พอไปเผื่การแบบอิบช้อนกินเคี้ยวข้าวแปลงฟันแล้วมันรู้สึกว่ามันเราเหมือนพอไปอยู่กับตรงนั้นเนี่ยเราทําให้เราลืมมือถือแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราอยู่กับมือถือตลอดเลยขนาดเราฝานะันนี่ยในฝันเรายังมีคัามหนึ่งอ่ะในฝันเรายังมีมือถอยู่ในฝันเลยเก็เลยรู้สึกว่าเราติด ก็อยู่กับผู้เธอก็ได้อยู่กับการกระทำของร่างกายก็ได้แทนกันได้นะอ เ, เอาลนะคุณผูชนคุณคอันดินคิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเกือบสองชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงกับห้าสิบสี่นาทีก็คิดว่าพอหอมปากหอมคอสำหรับอาทิตนี้ไว้โอกาสหน้าอาทิตย์หน้าแล้วค่อยพบกันใหม่